จเจริญพรทุกท่านเดียร์วันนี้คุ ณ, ค, ณคุณไอฮัทเบนเดคนไม่ได้เข้ามาครับวันนี้วนนชัยไปฉีดยานะฮะให้ให้สปันนามาแทน Facebook ครับ อ, อาบริจเชิญคนแรกคุณบรินกลับนมัส ก, การครับหลวงพ่อ ขอ <Okay. laughs> ขอกราบน้ำพระารก็ก็ขอคารวะมุริตาจิตหลวงพ่อในในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเมื่อวานด้วยครับผมก็โอนตังไปทําบุญกับหลวง พ, าาพ่อครับหลวงพ่อครับการที่เราทํากรรมมาในชาติก่อนทําให้เราชาตินี้รับผลอย่างเช่นเราจะโง่ในการตัดสินใจทําให้แบบแทนที่เราจะทันอะไรได้รับเลื่นแต่ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดเกิดจากกรรมในอดีตส่วนหนึ่งใช่ไหมครับหลวงพ่อ ก็เกิดจากความโง่ในอดีต ท, ที่มันยังติดอยู่ในใจเราเรายังไม่ได้พัฒนาให้ฉลาดขึ้นมันไปยังใช้ความโง่เกับอยู่ถ้าเรามาพัฒนาเดี๋ยวความโง่มันก็หมดไปความฉลาดมันก็เข้ามาแทนทีออ่ความโง่ให้แก้แกตรงอันไหนอันแรกครับสี่ห้าหรื อ, อว่าตรงไหนโง่ก็คือไม่มีความรู้ก็หาความรู้สิ เจะสอนให้หาความรู้อยู่หกเจ็ดชนิดด้วยกันคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้การลาเทศะแล้วก็รู้ประมาณให้รู้เจ็ดอย่างนี้เป็นเจราญะของคนฉลาดคนฉลาดนี่จะรู้เจ็ดอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลเนอะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนอะ อ๋อครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วยอย่างนี้กอรู้ตนแล้วแบบว่าเราเป็นอะไรแล้วรู้จักตัวเราก็ล่าว่าเราเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายครับตัวยัวงไงเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ครต้องรู้จักวางตัวให้ถูกต้องรู้ตนรู้บุคคลกับรู้คนที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าเขาเป็นใคร เขาใหญ่กับเราหร เ, าเล่นกับเราก็เท่าเราเนี่ยวิธีปฏิบัติต่อคนเหา น, นี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่รู้สังมคมก็สังคมก็คือกฎกติกาของสังคมใช่ไหมกฎหมายบ้านเมืองนะรู้สังคมรู้ประมาณก็คือให้รู้จักพอพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ในการบริโภคปัจจัยสี่รูปัจจัยรู้เขาเรียกว่ารู้รู้ความพอดีรู้ประมาณข้อสุดท้ายรู้กา ร, รกเทสะรู้รู้การและสถานที่ที่เราไปว่าควรจะทําตัวอย่างไรไปงานศพต้องทําตัวอย่างไรแต่งกายอย่างไรไปงานแต่งงานโน้มทาตัวอย่างไรแต่ ง, งานเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันใช่ไหมไม แต่กายชุดงานศพไปงานแต่งงานนีก่ก็โดนเขาไล่ออกครับพอใจนี่คือคถ้าไม่รู้ก็เข้าหาผู้รู้ประพุติธรรมมสมเลือกครูบาอาจารย์ไปอยู่กับท่านท่านก็จะสอนเรื่องราวเหล่านี้หัวข้อธรรมชื่อว่าอะไรนะครับหลวงพ่อรู้เจ็ดอย่าง น, นะครับอะไรธรรมสัตตบุรุษนะครับสัตสตบุรุษ ทำของสัตว์ประเพณีไม่เคยได้ยินเลยบวชมาแล้วยังไม่เคยได้ยินทำสัตว์ประเพณีไปได้ยินหัวข้ออื่นมากกว่าครับแต่ว่าอืมอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าหัวข้อนี้ยังไม่เคยนี่แหะเกิด<า> ค, ความรู้ที่แท้จริงที่ทําให้คนจะไม่ใช้ปริญญาเอกในวิศวกรรมหรือว่า อ, อะไรอะไรมันเป็นความรู้เฉพาะทางแต่ไม่ได้ทําให้คนฉลาด ราบค้อรับรู้ในสิ่งที่กวรจะรู้เป็นความรู้ที่เอาความรู้ท่วงหง ว, วตัวไม่รอดอแต่ความรู้ของสัตว์ประหลดเน่จะไม่ไม่ไม่ไปเกี่ยวพันกับความชุกข์นั่นมาจากวิธีปฏิบัติตอนให้เหมาะสมครัอ๋อสาธุเลยครับหลวงพ่อครับขออนุ ญ, ญาตถาม น, นะครับเมื่อวานนี่คนอักบาทเยอะกว่าปกติไหยครับหลวงพ่อก็ปกติ เห็นในเห็นรูปถ่ายแล้วปลื้มใจมากเลยครับแบบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยครับเห็นเค้กหลวงพ่อแบบโอ้โหถึงสามติดก้อนเลยครับหลวงพ่อเยอะมากเลยครับอยากจะกินด้วยเลยไม่อยากครับกลัวอ้วนครับอันนี้อันนี้เข้าใจนะว่ามันไม่ได้เป็นงานวันเกิดนะมันเป็นงานบุญเองแต่เขาเอาเหตุของวันเกิดมามาร่วมทําบุญกัน เพาะทา ง, งวันไม่ได้จัดอะไรทํางเราไม่ได้จัดอะไรไม่ได้เชิญไม่ส่งบัตรเชิญส่งอะไรให้ใครที่ไหนคนไม่เข้าใจคิดแต่แบบทํารูาในพระเป็นพระทำไมจัดงานมันเกิดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่งานมันเกิดงานปกติงานกิจวัตรเป็นทบาทเรากลับมาชันที่ศาล า, านาย่างโยมเขาก็อาใช้เหตุของว่าเป็นวันเกิดแล้วก็มา มาทำบุญในวันนั้นเลอสังขารนุสติแล้วก็ตอนผมรู้จักหลวงพ่อครั้งแรกก็ตอนนั้นหลวงพ่ออายุ59ตอนนี้74แล้วโอ้โหเวลามันเร็วจริงๆเลยก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาลูกศิษย์คนนี้ตั้งแต่11ขวบตั้งเสมอมาครับขอบพระคุณมากครับโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับปล่อยหลวงพ่อรู้อยู่บนล่องโซ่ล่อเตลูกหลานไปแล้วนครับอ สนนกที่เป็นทีมงานใช่ไหมใช่งไหมหรือไม่ใช่ทีมงานมีหลายนกไม่แน่ใจทีมทีมครับมีอะไรจะพูดหรือเ่าไม่ได้ยินเสียงเลยเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะหลวงพอ่อเสียง่อยมาก น, นกเขาแจ้งว่าเข้ามาฟังธรรมคับอาจารย์โอเคอ่ะ okay. ไปที่คุมมณหมอาสนาอันนี้อยู่บนเขาอยู่ค่ะ ก, ก, การน้ำมันสการคก็ยังอยู่บนเขาค่ะพระอาจารย์ขึ้นมาสามวันช่วง<ม>ช่วงนี้ก็คือมาตั้งใจแบบก้าสิบกเปอร์เซนเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญากะว่าทําตลอดทั้งวันค่ะอาจารย์มีแค่สองชั่วโมงที่กินข้าแล้วก็อาบน้ำนอกนั้นก็ทําตลอด้ำไปไงดีไหมคือรู้สึกว่า ใจมันหนักแน่นขึ้นคือตั้งแต่ครั้งแรกที่มากับวันนี้อ่ะมีความรู้สึกว่ามันหนักแน่นขึ้นเหรพระอาจารย์มันเหมือนแบบมันก้อนหินเลยคือรู้สึกดีมากพระอาจารย์แล้วก็ไม่ความกลัวมันไม่มีความรักกับความชังมันกลางๆแล้วก็อืมคือรู้สึกแบ บ, บเดินเดินได้ตลอดนะพระอาจารย์แล้วก็อย่างกวางโตนเขาก็ไม่กลัวเราแล้วคือตอนนี้ไม่มีใครกลัวใครก็แบบอยู่ธรรมดากินของเข้าไปเดินจะมาหาเราได้แต่รู้สึกว่ามันมัน มันสงบอะคะพระอาจารย์เพราะว่าตั้งใจจะทําสมาธิเพราะจะสุบกับกิเลสเนี่ยะก็เลยจะตุนกะมาคราวนี้ยกะจะตุน <c oughs> แล้วก็จะกะจะทําสมาธิให้มันได้เร็วกับที่พระอาจารย์บอกอนะให้มันได้เร็วทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะกะว่ากับนเจวัน น, น่าจะจะตั้งใจทําพระอาจารย์ก็ด <c oughs> ีแล้วก็ <c oughs> คือมหาเศรษฐีที่แท้จริงโชคดีมากเลยในเนี้ยมีก็เลยเ y มันยิ่งเข้ากับที่เรากำลังตั้งใจทําแล้วก็หนังสือทุก มีแต่ผู้ไม่เกิดเนี่ยค่ะที่อาจารย์ให้มาก็ก็เข้ากับตอนนี้มากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ลงทัามาอย่างเดียวอย่างประมาณีทำเกตยยึสร้างธรรมขึ้นมาปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้ทุกกับเรื่องราวต่างๆอาจารย์ค่ะใจที่มันหนักอันนี้ดีแล้วใช่ไหมมันไม่มันรู้สึกว่ามันไม่มันมันมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ แต่ในี่สุดมันก็ต้องพิสพิสุ ด, ดูว่าเวลาไปสัมผัสกับโลกธรร ม, มใจยามุ่นวุ่นวายว้มามุ่นขุ่มัวหรือไม่ไมในโลกธรรมมันก็มันก็มีขึ้นมีลงถ้ามันยังไม่ลงทีลาจะต้องจำลองให้มันลงจาลองให้มันลงไปอยู่แบบขอทานเนี่ย เนี่ยดี๋ยวจะไปพอาจารย์เดี๋ยวจะไปที่หน้าเดี๋ยวไปขอพระขอหลวงพ่อนี่ผมไม่รู้ท่านจะให้มาแต่ว่าจะไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ก uh huh. คุณล้าหนังสือปากมาเดี๋ยวจะเอาหนังสือไปให้ด้วยค่ะแป็นดวงใจ uh huh. แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปก็กรณี้กำลังค่อยๆทยอยจัดการของที่มีนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเห็นพระอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วก็คือจะค่อยๆจัดการของที่มีพระอาจารย์แล้วก็ uh huh. แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ กล่าวว่าถ้าเกิดว่าเราถือสินสิบเนี่ยมันจะช่วยด้วยได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์กับจะถือเอ่อทุกวันพระก่อนข้อสิบ่ะคะคือไม่ใช้เงินใช่ไหมคะพระอาจารยแ์แค่ไม่ใช้เงินอย่างเดียวใช่ไหมคะคือไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองเลยถ้าข้อนี้คือให้คนหนึ่งให้คนหนึห่งเขาเป็นวินยาวิาจา ก, กรให้กับเราเงินฝากคนหนึ่งไหมถ้าถ้าของในตู้เย็นที่บ้านเราตอนเช้าตื่นมาเราหยิบกินเองได้ไหมหรือว่าต้องให้มีคนให้เราข อ, ของกินไม่เวลานี้พูดถึงเรื่อแค่เงินทองนั่ น, นเอง อ๋ออย่างนั้นจะลองดูไ ม, ไม่ไปช้อปปิง้งไม่ไปไม่ขึ้นรถเมยขึ<ด>้นรถเมไม่จ่ายเงินเองอะไรเองทุกอย่างไม่ไขับรถได้ปะ่ะอันนี้มันไม่มีในสินสินขับรถแต่ไม่เติมน้ำมันแล้วกันให้คนอื่นเติม <laughs> <laughs> เพราะว่าต้องคือจะให้เห็นว่าแบบ คือจริงๆไม่อยากเลยจริงๆนะเพราะอาจารย์คือมันตอนนี้แบบเดินซื้อของให้ลูกเราไม่อยาก赖อะไรก็คือพยายามจะกําจัดออกกําจัดออกค่ะอาจารย์เพราะว่าเห็นพอยิง่งแบบเดินคือไม่ไม่ให้ไปเครื่องเงินทองปเป็นเครื่องมือหาความสุขยังไงคะเพอเราส่วนใหญ่ไม่เงินทองก็ไปซื้อความสําคัญเดี๋ยวไปซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวไปกินนู่นกินนี่อะไรทำนนี้เพราไม่มีเงินทองก็ทําไม่ได้ได้ จะลองให้วันพะก่อนนะพระอาจารย์ทำวันพาะก่อนจะไม่จับเงินเลยอ่ะก็ทำไปอันนี้ข้อนี้ทางพระพุทธเจาไม่ได้กำหนดให้คารวะเพราะเห็นเห็นใจว่าคารวะต้องขึ้นตัวเองต้องมีเงินมีทองสำหรับเลี้ยงดูปากทองของตัวเองแต่มันก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษ ถ้าเอาไว้เลี้ยงปากท้องมันก็ไม่ ม, ไ ม, มันก็เป็นคนแต่ถ้าไปเลี้ยงเทเรมันก็เป็นโทษแต่สําหรับนักบวช น, นี่ท่านห้ามเลยนักบวชไม่มีความจําเป็นต้องมีเ ง, งินทองก็มีคนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเขาสนับสนุนอยู่พร้อมทุกอย่างบุติก็ที่อยู่อาศัยก็มีอาหารก็มีย า, ารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ปวดก็มี ในโรอพยาบาลรงพยาบาลก็ไม่เก็บตังคท่านของรัฐเนี่ยดนั้นมันก็เป็นการตัดทางเดินของกิเลสทางนึ่ซึ่งเป็นทางสําคัญเงินเงินทองพอมีเ ง, นงนินทองแล้วกิเลสเนาอยากได้มืออยากได้มือถือุ่นใหม่อยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเป็นมาหมด ถ้าไม่มีเงินทางแล้วก็ตัดมันไปมหาความสุขจากสมาธิอย่างเดียวก็ไม่มีทางอื่นถ้ามืนตั้งหุืถกตัดหมดอล้วไปมีแฟนก็มีไม่ได้นนี้เป็นความละเอียดของการปฏิบัติ เหมือนที่อ่านที่เขาบอกว่าอย่าแส่สายตาคู่จมกูกลิ้นกายถ้าถ้าเรามีความสงบทดแทนมันก็ไม่ต้องแส่สายออกไปใช่ไหมคะพระอาจา <c oughs> รย์เนยฉุดว่าทามสมาธิเยอะๆจะได้ไม่ต้องแส่สายใช่ถ้ามันมีความสงบกับความสงบมันก็ไม่ต้องไปหาความสุบจากหูบเสียงกลิ่นจากบุกคคลนั้นบุคคลนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้งั้นพยายามฝึกสมาธิให้มาก ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะเลิอกอาศัยเงินทองเลิกอาศัยสามีเลิอกอาศั ย, อ, ศยอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องมือให้ความสุ ข, ขเราได้โอเคน่ามีอะไรไหมไม่มีค่อะอาจารย์ทำต่อะทําได้ไหมล่ะเอาไปไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุ ข, ขเท่ขขเานั้นนอกจากความสงบเพียงอย่างเดียว ไม่คือตอนนี้ก็ปล่วางลูกแล้วก็ก็พยายามพยายามปล่อยคึกทําก็คือว่าตอนนี้นอยู่คนเดมันก็อยู่คนเดียวได้อครับอาจารย์ <S <s <ess record> กมม็มีความสงบมีความสงบก็คือปล่อยวางแต่ว่าก็ยังดูแลเพราะว่าเป็นหน้าที่อะไรเงี้ยแต่ปล่อยวางได้นะครอาจารย์ตอนนี้คือสมัยก่อนติดลูกมากเลยนะสามียัไม่ค่ยติดเพราะว่าแบบมันคุยกันเป็นเพื่อนกันมันก็คือเข้าใจกันนะคะสามียเขาใจตลอดคือไม่ไม่ก็มีปัญหาแต่ว่าลูกอ่ะสมัยก่อนตัวติดคือลูก แต่ว่าเดีเนี้ยปล่อยวางลูกได้ได้เยอะได้แบบคือแบบลูกไปอยู่หอไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปนสมัยก่อนจะจะจะกังวลนะขนาดโตแล้วยังกังวลเพราะติดลูกนเด็กๆแล้ว<ม>ตอนเนี้ยปล่อยวางลูกได้เยอะมากเลยพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกลูกเขาก็สบายสบายขึ้ น, น่ะมันเหมือนกับลูกเขาก็กลายเป็นคุยกับเรามากขึ้นโทรกับมาหาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับลูกก็คงรู้สึกดีมากขึ้นมั้งเราไม่วิยุกีกับเขาอ <laughs> เมื่อก่อนไปจำจที่ออยอดใจเก็ามากเกิไปสงสัยค่ะคอยเตือนคอยบอกนุ่งทอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นทํำนี้เขาก็รำคาญไม่อยากจะคุยแล้วตอนนี้งงไม่โทรมาเองโทรมาตลอดเลยงงมากเลยค่ะโอเคนะจะเล่นไปที่ท่านตอบไปไล้คุณค่ะคุณามีเป็นแพทย์ทางไหนนะเป็นหมอเด็กค่ะะอาจารย์หมอเด็กอ่ะยังทํางานหรือเปล่า ตอนนี้เนะะี่ยฮะก็พอโลกธรรมแปดเขาให้ต่อไม่ทํานะคะให้ต่ออยู่ิสามปีจะเสียแล้วนะคะไม่ทําแต่ว่าเป็นเป็นพอสอนรอสอนนะคะแต่ว่าสอนคือสอนอยู่ค่ะสอนนิเวศแพทย์จะ่<ต>ถามว่าเอ่อที่รังสิตอยู่เลิศศิล น, นะคะรังสิต่ะใช่ค่ะเลิศเอ่อรังสิตเลิศศิลรังสิตอค่ะเลิศศิลเลิศิลค่ะ ก็เลยไม่ได้หาต่างแล้วพระอาจารย์ค hey. ือบอกแล้วว่าเลิกเถอะเพราะว่าสุขภาพเราสุขภาพมาเตือนทางทำดีกว่าเขาก็กางเงเริ่มนะพระอาจารย์ไม่ยอมเข้าซูมกําลังทําเองเนี้ยดูอยู่แต่ไม่เข้าซูมค่ะเราทำไปก่อนค่ะแล้วปฏิบัติไปนะมันก็อาจจะรู้รายลเอียดมากขึ้นโอเคนะเดี๋ยวไปที่อาจารย์พรุ่งนี้เลยก่ออาจารย์ การมรดกการพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงผู้หูกําลังออกกาลังใจยนะใช่ค่ะเดิ ม, มแล้วค่ะเดิ ม, มแล้วค่ะกล่าวถู ก, ก, กหรือว่าอาจารย์กล่าวถูกวันนี้ค่ะวันนี้ก็มีข้ออยากจะเรียนถามแล้ว่าเป็นข้อสังเกตจากเมื่อวานนี้นะคะทั้งชาวไทยสิทธ์ที่เป็นชัางชาวไทยและต่างประเทศเราก็เป็น ออผู้ทีชนเนี่ยนะคะผู้คนที่ไปหรือแสดงออกเนี่ยคิดว่าและแต่ตัวเองเนี่ยก็จะมีความติติอยู่ในจิตของเราเองที่มีเหมือนมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะไปทำอะไรได้ไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความอิ่มเอมแล้วมีปิติที่เกิดขึ้นปิติอันนี้เนี่ยโดยไม่ได้มีการต้องนั่งสมาธินะเกิดจาก จากการกระทาของเราเองจากการที่ได้ไปกราบได้ไปช่ำบุญ อ, อะไรในในชีไม่จะมีความปิติเลยก็เหมือนเด็กสมัยนี้ได้ไปดนรักนาราโปรดคำา่าเปิติต้องตาไหลวิต ว, วันลีการกันห้ามไม่ห้ามใจไม่อยู่นะเวลานนาราที่โกรดคำมาใกล้เนยโอ้โเฮ้ยใหญ่ใหญ่อย่างนั้นแหละมันก็เหมือนกันนั่นทาง <c oughs> โลก มันก็มีทางธรรมทางธรรมก็เหมือนกันก็จิตมันก็มันก็มีความรู้สึกปฏิกริยาเหมือนกันอันนี้โดยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ต้องนั่งสมาธิเอ้ยปิตินี้ก็รู้สึกจะติดตัวอยู่ อ, อยู่หน้านะคะนิยมบางคนก็ถึงนิยมไปกับกูบาอาจารย์ไปกับเห็น ห, หน้ากูบาอาจารย์ได้ทำกับกูบาอาจารย์นี่ก็รู้สึเสกขนลุกรตรงนี้เปื้อนปิติ เนี่ยเราบินถมาแล้วสังเกศ ญ, ญาติอยู่บางคนพอเห็นเราตื่นเต้นใหญ่บางกายบงคนมาจากต่างจังหวัดทั้งน้าที่มาใส่บาทเนี่ยเชียงใหม่เอ้ภูเก็ตเอะอะไรพวกมากันได้ได้ถ่ายรูปด้วยก็เป็นปิตินะคะยืนถ่ายข้างรถสมาชิกในสูงจากบุรีรัมย์ก็มา อันนี้ก็เป็นบุญส่วนตัวนะะที่ทุกคนได้รับกลับบ้านไป ม, มันทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำความดี<ช>เขามีความสุขโอเคมีอะไรไหมไม่นะคะมีอะไรถามไหมคะมีครับโอเคนะญญาอาจารย์ค่เดี๋ยวขอทำหน้าที่ต่อคุณเสกอาจารย์อุณเทงอยู่ที่ไหนคุณเทง เปมาอีกอันนึ้มาสการครับอ่าอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่การจน บ, บุรีครับมีอะไรจะถามไหมเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวค่ะมันเกี่ยวกับโทสะแล้วก็ความรังเกียจแล้วก็ความพยาบาทนะครับผมไม่ทราบว่าถ้าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน สถานการณ์แบบนี้มานานแล้วมันไม่น่าจะเอื้อต่อการเจริญในธรรมถูกไหมครับเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดอย่างเี้ยมันมันใช่ก็าอยากจะทำจะทำต้องใบเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวผมรู้สึกว่าสองปีที่มาอยู่ที่บ้านแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำประโยชน์อย่างที่ได้เราอย่างที่ได้ตั้งใจไว้คือตั้งใจไว้กับมาน เราออกจากงานมาอยู่ที่บ้า น, นก็เพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพของแม่แต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้จิตใจของผมมันมีแต่โทสะมีความพยาบาทมีความรังเกียจจนจนจนสภาพจิตใจในแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับอยู่เหมือนกับมีแต่ความขดขู่ความเศร้าความโกรธ โศัอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าเราพยายามกําหนดให้ให้มีสติแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็ในแต่ละวันมันมันบั่นทอนพลังเรามากมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราทนไม่ไหวเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ไหมไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการประทะกันทางกายซึ่งมันผิดศีล ซึ่งมันมีมีข่าวอะไรออกมาที่น่ากลัวมากอย่างพระอย่างฆ่าพระได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือเราอยู่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยคือมันมีความไม่เท่ากันความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ความหลายๆอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าผมจําเป็นที่จะต้องหนี เขาเรียกว่าหนีหรือเปล่าแต่ว่าออกไปหางานใหม่ที่ที่ทําให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วมันน่าจะเจริญมากขึ้นเพราะว่าตั้ ง, ต, งตั้งแต่ที่อยู่ที่บ้านมาสองปีนี้มีแต่อกุศลในใจแล้วมันเริ่มลามไปรู้สึกอกุศลหนึบโกรธกับพ่อแม่ด้วยเพราะว่าคนคนที่ผมรู้สึกไม่ดีด้วยก็คือเป็นน้องที่เขาทํางานร้านขายยาแล้วเขามานานแล้วเป็นหลายสิบปีแล้วเป็นลักษณะหมอตีอย่างเงี้ย แล้วผมที่เรียนจบมาโดยตรงเนี้ยมันจะเข้ากันไม่ได้ในเรื่องของวิชาการแล้วเราจะไม่ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทำทั้งทั้งที่เขาก็เขาก็รู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จและเป็นมือหนึ่งแต่ว่าเวลาเรายืนยืนขายกับเขารู้สึกว่าเราแข่งขันเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ฟังเราเพราะว่าเขาเขาแน่กว่าเราในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องขายยา มันเป็นเรื่องของการดูแล พ, พ่อแม่ซื้อของอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการรักษาความสะอาดในช่วงโควิดอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมถูกจะถูกจับปลาจับผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลักษณะของการเอดูแลพ่อแม่เช่นซื้อของซื้อขนมซื้อข้าวอะไรมเนี้ยต้องเป็นแบบเขาทั้งนั้นถึงจะถูกซึ่งผมผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าการซื้อมาในปริมาณมากๆอย่างนี้คนแก่กินไปสรุปหน่อยนะพอเวลาติดน้อยอ สรุปก็คือว่าผมไม่ไหวแล้วครับคือว่าเหมือนกับว่าไม่ไหไม่ไหวข้าไปมันจําเป็นต้องไปถูกไหมฮะคือผมรู้สึกว่าถ้ากลัวว่าอยู่แล้วเดี๋ยวห้ามโทรศัพท์ไม่ได้ครับต้องไปใช่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือป่ะไปแล้วก็ส่งมันมาให้พ่อให้แม่แทนนะคราคงไม่เอาผมนะครับเพราะว่าที่บ้านก็ไม่เอาก็ไม่ต้องส่งไม่เอาก็ไม่ต้องส่ง ส่วนในเรื่องของข้อมูลวิชาการอะไรที่ผมเคยเรียนมาก็เข า, เขาก็คงรู้สึกว่ามันมันไม่รับเพราะว่าเขา เ, เขาเขาไม่ได้รู้สึกดีกับผมเขารู้สึกดีกับคนทีเ่เราไม่ต้องไปยุ่งของเขาไม่ต้องไปยุ่งของเขาเอ๋อมันจะเป็นต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับจา่ายปล่ยเขาไปตัวใครตัวมันอ่าเพราะว่าขืนอยู่ไปผมกลัวอย่างที่เรียนไปเมื่อสักปุณห์นี้มันมันไม่คุ้มกันเลยครับจายไปเถอะไปเถอะ ไม่บาปไม่เป็นความกระตันอยู่อะไรดีกว่าอยู่ว่าเดี๋ยวไปทุกตีพ่อแม่เนี่ยบาปกรรมหนักไปอ๋อที่ท um, uh, kind of ุกตีนี่คือน่าจะมีเรื่องกับน้องมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ว่าดอกใครก็ไม่ควรครับครับโอเคนะอาจารย์ที่ามนะมีอะไรไหมขอบคุณนะคะบัตรสการครับคุณเอกคุณเอกยัดยงได้ ก, การนมัสการพระอาจารย์ครับเออวันนี้มารายงานที่ไปปีวิเวกมาครับพระอาจารย์เป็นยังไงดีไหมก็ก็ดีครับพระอาจารย์ได้ได้สติครับได้สติก็คือพูดโทรอยู่ตลอดทั้งวันนะครับพระอาจารย์ก็ดีพออยู่ที่บ้านไหมอยู่ที่บ้านก็ถ้าพูดถึงดีก็คืออืมันนั่งนั่งได้นานเนื่องจากว่าเราเราอยู่คนเดียวฮนะ ก็นั่งได้นานแต่ว่ามันมันไม่ค่อยวิเวกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเสียงรบกวอตลอดนะพระอาจารย์คือคือเออกุดที่ผมอยู่เป็นกุดไม้ดำกรุดเออเป็นเป็นไม้แล้วก็สีดำแล้วก็หลังคาถังสีนะพระอาจารย์เหมือนมีคนแบบโยนหินใส่ตลอดนะพระอาจารย์บางทีแบบหน้างสมาธิกาลังจะตั้งเหมือนกับกําลังจะตั้งไข่นะพระอาจารย์ปั้งเข้ามาอย่างเงี้ย มันก็หลุดก็ตั้งใหม่นั่งไปปั้งเข้ามาเงี้ยพระอาจารย์แสดงว่าที่ไม่สับ ป, ปยะยะครับที่ที่ไม่ค่อยสับ ป, ปยะยาแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนที่ปากะที่นี่มันไม่รบกวนครับผมเพราะว่าผมผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมผมเองอ่ะจะเซนซิทีฟมากกับเอ่อกับพลังงานนะครับพระอาจารย์ถ้าเกิดมันเจอนี่ผมจะปวดมนดือปวดตัวแล้วก็จะปวดหัวแล้วก็จะอาเจียนนะพระอาจารย์อืม อือแบบโอ้ค้นผมไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะคืนวันศุกร์ไม่เป็นไรครับคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นี่ผมช่วงเย็นปวดหัวมากแล้วก็อาเจียนนะพระอาจารย์<ม>ก็เอาไงนี่ผมว่าเอ้เรานี้ตายแน่แบบว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมหรือเปล่าเงี้ยผมผมก็เออไม่เป็นไรผมว่าเออผมไม่คิดเรื่องอื่นผมก็โอเคผมนั่งสวดมนต์ไปอฮะพระอาจารย์มันเสียงเสียงที่ดังอ่ะมัน มันคือปกติมีดังถี่มากอะตั้งปั้งดังด้านหน้าด้านหลังดังอย่างนี้ครับอาจารย์ก็เล่าติดใจไม่ได้ก็ถ้าตําใจไม่ได้ก็ลองอะไรมาอุดหูด้วยเดี๋ยอะไรอุดหูไว้ค่ับทำไมจนปล่อยให้มันเข้ามาในหูเราทําไมอือก็ก็อะไรอุดโหูก็ได้ไม่ผิดนะอ๋อผิดนะฮะไม่ผิดเลยครับหรือไม่ใช่แล้นก็เปลี่ยนที่หที่ที่มันสงบที่เงียบค่ับ น, น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าครับแสดว่าที่ทไม่สัพปาไปะขการปฏิบัตินี้ต้องมีสัปป์ยะอะไรอะที่เนี่ยุคคนที่เราอยู่ด้วยสัปปายะอะอนะไอยู่แล้วไปทงเดียวกันหรือไม่อยู่แล้วไปมาม า, มาตีกันมาชนกันค้ามแล้วก็อาหารก็บางแห่งก็กินแล้วอาจจะมีปัดทาทาง ทางกระเพาะลำไส้ท้องเสียอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็เลยอาหา ร, รไม่สับปายะอากาศอากาศบางที่เราช้อบหนาวช้อบเย็นไปเจอที่ร้อนอย่างนี้ก็อาจจะไม่สับปายะทําหนาเลยนั่นนี่คือเป็นปัจจัยที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็จัดการให้เหมาะสมกับเราอือครับครับ ต้องดูสารที่ใหม่ไม่งั้นก็เปลี่ยนปูดแล้วที่ราคามุมกระเบื้องบ้างอะไรบ้างลองดูเอ่คงจะจะได้อย่างงั้นถ้าวิธีง่ายก็อุดเอาอะไรมาอุดหูง่ายทีสุดแล้วก็อย่าไปแก้ข้างนอกแก้ที่ตัวเราดีกว่าแต่แต่หูงาวยู่ก้าวที่อุดหูมาใส่แต่เขาแต่งยุ่งกันตอนที่ผมสวดมนต์นะพระอาจารย์เสียงเสียงมันไม่ถี่เสียงมันดังแต่มันดังห่างครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นจังหวะของมันพอดี ครับแต่ที่เราฟังจังหวะครับผมบางจังหวะบรรลงตรงตัวก็ก็ขนลุกเหมือนกันนะครับปั้งครับผมอโอเคนะมีอะไรไหมก็ก็ไม่มีครับแต่ก็ทําทุกอยู่ทุกวันนะครับพระอาจารย์ก็ก็ได้ความสงบก็นิ่งขึ้นนะครับครับผมครับขอบขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่เมตตาสิ่งสำคัญก็คืออย่าอย่าหยุดทําทำเลยมากเล่น้อยก็ทําต่อครับ ไม่ไม่หยุดหรอครับคือ mm hmm. ก็คือวันวันสุดท้ายครับอาจารย์ขอญาต์เล่าอีกนิดฮนะวันสุดท้ายเอ่อตอนช่วงเช้านี่มันตอนนั่งถ้าใกล้สว่างมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเสียงนะครับอาจารย์ก็นั่งได้นานแต่ก็มันสว่างนะครับอาจารย์สว่างแต่ ก, ก็ก็รู้ว่าสว่างนะครับอาจารย์ทั mm ้ง hmm. ที่ว่ามันยังมันยังเส่อพระที่ยังไม่ขึ้นเครอฮะอาจารย์พระที่เรายื mm hmm. นนะมีต้นไม้แล้วต้นไม้เป็นช่วงที่มันมีเมล็ดเหมือนกั หล่นออกมาได้เนาครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าเป็นเมล็ดนะฮะเมล็ดของต้นไม้แต่ว่าบางทีมันถี่มากบางทีก็ดังบางทีก็ดังไม่แรงบางก็ดังแรงมันเหมือนคนเอาก้อนหินปลาอาจารย์สารไม่ได้ปครับผมกับผมพูนพระอาจารย์ครับผมการนี้เท่านี้ครับผมคุณบานจากพระทัย โรงแรมนตอนนี้ทํางานแต่พี่ก็ต้องกลับนักมาตการเจ้าค่ะอป็นยังไงตอนนี้โรงแรมเปิดได้ไหมโรงแรมเริ่มเปิดแล้วเจ้าค่ะก็ยังไม่เต็มที่ค่ะเจ้าค่ะก็เดือนอนี้ก็จะมีช่วงงานครกแล้วค่ะที่ว่าจะมีลูกค้าหน่อยนอกจากนั้นก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ไปเลย ม, มีอะไรไหม ไม่มีคำถามไม่มีนะโอเคไม่มีก็ขอผ่านไปเลยนะบันแดต่อจากอุดรอธิเทลมาเยี่ยมเยียนสาบ่าสองวันค่ะกลารรมสการค่ะอะไรไม่มีอะไรป่ะอันนี้ไม่มีคาถามค่ะไปได้คุณพรรดาอย่ากสัตย์สิธิ์การรมสกานค่ะ ไม่ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์โอ okay. เคเินไปที่คุณเดศยาต่อคุณเดศยาอยู่ที่ไหนจับน้มาสการค่ะว่าอาจารย์ได้ยินไหมคะไม่ไับเจอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ณราทิวาสค่ะมีอะไรไหมอ๋อมีคําถามหนึ่งอ๋อหนึ่งคำถามค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องการ การปิดวาจาค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะหนูเคยไปภาวนาที่ท่านโค้ชก้าแล้วเขาให้ปิดวาจาหนูสังเกตว่ามันนั่งนั่งสมาธิติดง่ายแล้วมันอยู่กับความสุขได้นานนะคะ่ะพอวันที่เปิดวาจามันรู้สึกได้เลยะคะ่ะอาจารย์ว่าทุกครั้งที่เราพูดคุยกับเพื่อนพอก่อนจะนั่งอะคะ่ะพอนั่งปุ๊บมันเรื่องที่คุยมันผุดขึ้นมาตลอดมันทําให้เข้าสมาธิได้ยากขึ้น พอหลังจากนั้นหนูไปวัดครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะหนูสังเกตว่าก็ไม่มีกฎในการในการปิดวาจาแสดงว่าการปิดวาจา ม, มันมันมีมันสําคัญไหมคะหรือว่าในการมันจําเป็นไหมคะ อ, อาจารย์เื็นโดยปกติตามตำแน่งปฏิบัติต่างๆเขาก็ไม่เขาก็ไม่สนับสนุนให้ให้ครูครียร์กัน<ค>ให้กกันต่างคนตา่าง เมื่อต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่ต้องไปปิดบ้านจาเพราะไม่มีใครอยาฟังมาพูดเขาก็เลยไม่เขาเลย ไ, ไม่ได้ใช้กฎนี้แต่ตความหมายก็คือไม่ให้คุยกันไม่คุกคีกันเอาแบบคุกคีกันจับกลุ่มกันใะห้เขานั่งคุยกันอถ้าเป็นสํานักปฏิบัติจริงๆนี่เขาจะเน่นให้แยกกันอยู่แยกกันปฏิบัติปฏิบัติเดียวแต่ถ้าสำนับ สำนักที่เขามีพวกผู้ขัดใหม่พวก้รำต้นนี่ยังปฏิบัติตามลำพังไม่ได้เขา็เลยต้องใช้กฎไม่ให้คุยกันค่ะคือเฉพาะที่ตามวัดครูบาอาจารย์หนูก็ต้องพูดคุยกันเฉพาะช่วงที่ผู้หญิงต้องทํากับข้าวาอา่ะค่ะค่ะแต่การเป็นวัดหนูไม่จะทํากับข้าวก็ไม่คุยกันถ้าเป็นวัดปฏิบททัติจริงๆ<อ>ให้คุยเท่าที่จําเป็นอาถามว่าช้อนอยู่งไหนไอ้นีไว้ตรงไหนได้ จะไม่นั่งมานั่งวิอากษวิจาร์เรื่องนั้นเรื่องนี้นั้นคนนี้นนนไม่ไม่ดคนะุยกันค่ะถ้าอย่างนั้นเวลาที่กลายเป็นว่าหนูกังวลนะคะว่าสมมติถึงมีการพูดคุยกันนิดนึงก็กังวลแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวต่อไปจะนั่งสมาธิได้ชา้าหรือเปล่าแบบว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้มีคําพูดอะไรผุดขึ้นมากลายเป็นว่ากังวลไปอะคะ่ะพระอาจารย์พูดพูดได้มันน้อยที่สุดพูดตอนที่ยังเป็น แม่เขาจะมาชวนเราพูดแล้วก็อยาาพูดล้วก็ฟังเฉยๆไปแต่ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาเ้าก็มีเปลี่ยนไปหาที่ที่ไม่มีคนมารบกวนเราอ๋อหรือถ้าายังปฏิบัติเดี่ยวไม่ได้ก็ต้องไปโกเองข้าแบบที่เราเคยไปตอไปที่เขามี็เกดได้คุยกันเราให้สมาธิแบบว่าเข้าได้ชํานาญมากขึ้นแล้วค่อยไปก็ได้ใช่จากการเราจะแข็งพอที่จะปฏิบัติตามลำพัได้นะก็ ใบแย่ทีที่เราปฏิบัติตามกันทัลอาจอาจจะไปเจอวัดที่ไม่เขายังไม่ได้ปฏิบัติเป็นที่เขาก็เลยคุยกันถ้าถ้าไปวัดปฏิบัติเป็นที่เขาจะเอ็มมันจะมาร่วมทากิจวัตรร่วมกันก็จะไม่พูดไม่คุยกันถ้ามีครูบาอาจารย์คอยคุมดีเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ข้าพูดคุยกันเอมมันจะมาทํากิจวัตรร่วมกัน ถานว่าอาาหน้าที่อยู่ตรงไหค่ะค่ะไม่มีคำถามอะไรเพิ่มค่ะอาจารย์ค่ะค่าเคยเข้ามาหรือเปล่าเคยเข้ามาค่ะครั้งเคยเข้ามาครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อก่อนอยู่ชนบุรีก็ไปฟังธรรมกับอาจารย์ค่ะที่บนเขาค่ะปฏิบัติไปนะไปามอยู่คนเดียวอ่ะดีสุด อย่าคิดปรุงแต่งเวลาคุยกันก็ต้องกิดก็ต้องคิดปรุงแต่งอย่างแมอยู่คนเดียวถ้าไม่มีสติมันก็คุยกับตัวเองได้นะระวัง <c oughs> ตัวเองคุยกับตัวเองไม่ได้นะั่นเนี้ยเอ๊ะทำไมคนนั้นก็าเป็นอย่างนั้นทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้นั่นกะ็เป็นว ค, ความคิดปรุงแต่งเหมือนกันขอบึ้นจ้ะค่ะโอเคถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดนะ อมันจ ะ, ะพิจารณาก็พุทโธพุทโธอยู่ต่อไปค่ะโอเคุณ้อมต่อคุณอ้อมจากบอวินชนในไม่สกกนค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะไม่มี ค, ถา ม, ค, มมคถามเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์นี้ไฟอีกรอบหนึ่งค่ะรอบ <c oughs> รีวันค่ะ ไ, ไปทดสบอบความกลัวความกลัวต่อยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าหายไปหรือยัง ต้ <c oughs> องไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายค่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะเ้วถ้ามันอยู่อยู่ข้างในเอ้ามันมันไม่กลัวก็เราออกมานอกห้องออกนอกห้อง <c oughs> ยังไม่กลัวก็ต้องออกมาเดยนข้างข้างนอกปกตินะ เ, เดินตาม <c oughs> คือออกไปนั่งสมาธิแต่ว่าไม่ใช่ช่วงเที่ยงคืนคือไปช่วงหกโมงถึงสองทุ่มแล้วก็ตีตีสี่ถึงหกโมงเช้าก็เลยก็มก็ก็พัฒนาไปเรื่อยๆ เราเออกไปนไอกเรือนออกเป็นเดิอนน่กเรือนก็นได้อออกจากเรือนเดินจงกรมใช่ไหมเดินจงกรมตามทางเดินนี้ก็ได้ทิ้เลยถือไฟฉายไว้กลางแล้วฉายไฟหน่อยเพื่อ <c oughs> ดูหรือถ้าจะจะไม่ถือเลยก็ได้ที่สุดคือว่าไม่กลัวอะไรนะงูก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวมันจะกัดก็ไม่กลัวนั่งสมาธิอยู่ที่ ทางเดินระเบียงห้องก็สันสันแล้วนะค่ะอาจารย์ก็ค่อยๆพัฒนาไปก็แล้วกันเดี๋ยวรอบนี้ข้างนอกตอนกลางคืนอีกเดี๋ยวลองดูอีกโอเคนะก็ต้องดูกำลังด้วยนะถ้าไม่ไหวก็อย่าพุ่งไปทำนะเดี๋ยวจะสติแตกได้นะค่ะเดี๋ยวตกใจกลัวอะไรกันมาค่ะค่ะท้าไม่อยู่ ค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณคุณนายฝนซาตะกะคุณนายฝนซาตะกะพระอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินอยู่ที่ไหนพระอาจาไม่ได้อยู่ใช่หน้าจ้าใช่หน้าค่ะเดี๋ยววันสุขนี้จะไปเขาชีโอนนะคะไปค่ะแม่แลก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าจะเพิ่งเริ่มฝึกนะคะแล้วทีนี้ ว่าถ้าไปอะค่ะจะภาวนาพุทโธแล้วก็เหมือนหาสติแล้วอาจารย์มีอะไรจะแนะนํำไหมคะก็ะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหลักสำหเดินจงกรมนี้ที่หนูดูนี่แบบคือว่าเราไม่ต้องว่าเดินซ้ายไปขวาหรืออะไรเดินธรรมดาแล้วก็พุทโธเดินธรรมดาเดินธรรมดาพุทโธพุทโธค่ะแล้วก็กะว่าจะจะลองฝึกที่ว่า ทานมื้อเดียวแต่จะลองว่าไม่ทานทั้งวันดูสักวันหนึ่งนะคะเดีถ้าลองเดี๋ยวมันจะทําให้เรามีสติมากขึ้นเพราะเราจะต้องพยายามใช้สติต่อกซึ่งขอารอยูค่ะงั้นแค่นี้ค่ะโอเคนะจะอยู่กี่วันจะก็อยู่กี่วันสามวันค่ะเดี๋ยลองดูค่ะเดี๋ยวจะติดใจนะเดี๋ยวเราจะติดใจบอกแตนไปแล้วบอกเดือนนะ ได้ได้เดี๋ยวเดือนหน้าไปอีกอนนค่ะค่ะบนมาไกลนะยากช้หน้าฏสมาถิงที่ก็ประมาณส่ชั่วโมงกว่ากว่าค่ะไม่ไกลเท่าไหรค่ค่ะรถมาเองไมจะมีคนมาส่งแต่มาส่งค่ะแต่มาส่งค่ะค่ะนี่ยไปที่คุณคนณบสต์เคุบสต์จะไมยอค่ะรากลับนมาสการพระอาจ า, ารย์เจ้เลย พอดีช่วงนี้มันมีความทุกข์นะคะพรอาจารย์คือว่ารูกป็นความอยากมันไม่อยากใจมันไม่มเราไม่มีใจให้กับงานนะค ะ, ะอาจารย์งานไม่อยากทํางานก็เป็นความอยากเนี่ยความอยากไม่ทํางานหรืไม่ใไหร่ต้องทำก็ต้องเผืนใจบางครับมันอืแบบทุก ท, ทุกแบบบีบหน้ใจเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ตั้งแต่ปฏิบัติมาปีหนึ่งไม่เคย ทุกทั้งโลกเจข้อสารบไไ้างเจข้าาบไไ้าง <c oughs> บีบบีบบบใจเลยค่ะอาจารย์แล้วเราทำงานเราหยุดไม่ได้นะาไม่าไม่อยากทางานถ้าไม่อยากทำงานก็ลาออกไม่สิ้า ง, งั้นก็หมดถ้าหน้าจริงก็ลาออกไปเย <c oughs> อยากลาออกครับอาจารย์คิดค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ชั้นห้า ป, ปีเก็บเงินก่อน่ะ อันนี้ก็ต้องบังคับใจให้ทําลยคิดว่าทําเพื่อเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปเพื่อความสละต่อไปทําเพื่อจะได้ไม่ต้องทําถ้ามันคิดอย่างนี้มันก็จะเป็นกำลังใจทแล้วมีเป้าหมายค่ะอาจารย์ก็คิดไว้แต่ว่าก็เลยคิดว่าไม่ไม่เลยถ้าถ้าตายพรุ่งนี้ก็ปฏิบัติถึงแค่ไหนก็แค่นั้นไปมันก็เบาขึ้นนะคะอาจารย์ยอมรับมันก็ถึงไหนก็แค่นั้น ต้องอยอมรับต้องคิดว่า เ, าเันเรามีเป้าหมายเราเราทำนี่เพื่อให้เราได้มีมีทรัพย์ส่วนอย่างว้สนับสนุนเราในการกับการปฏิบัติธรรมถ้าเรากินอย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจค่อ ะ, ะอาจารย์ก็พยายามคิดในในทางที่มันให้กำลังใจเองค่ะ มันเป็นเครื่องมือที่จะพายเราออกจากสงสารจากวัฏสงสารจากการเป็นว่าตายกันให้คิดแบบนี้ ค, ค่ะาฉก็พยายามสร้างกำลังใจต่อไป อ, อ, อดทนอีกสักพักหนึ่งนะคะ อ, อ, อดทน ส, สู้ไม่ถอยเพราะมันต้องไปต่อสู้เรื่องเองนี่ยเอกจากงพอหยุดทา ง, งานมันก็ไปสู้กับเรื่องนี่สู้กับกิเลสกิเลสที่ไม่อยากจะปฏิบัติทำเอง ว่าปฏิบัติทำขึ้นมามันก็ไม่ยาวปฏิบัติใช่ไใช่คิดเหมือนกันค่ะว่าอาจารย์ต้องเดี๋ยวมันหลอกเราหรือเปล่าเดี๋ยวมีเวลาจริงทีตอนนี้เมื่อพอไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่อยากจะไปปฏิบัติไม่อยากทํางานเนี่ยพอไปปฏิบัติจริงๆมันก็อยากจะกลับมาทํางานทํางานสบายกว่าเยอะการทำงานตอนนีค่ะครูแกแล้วอยากมีภาระต้องเลี้ยงลูกด้วยค่ะอาจารย์ลูกยังเล็กก็เลยเป็นกรรมของเราแต่เป็นบุญของลูก พอลูกก็ได้ได้เจอพระอาจารย์แล้วก็เขาก็ดูแบบดูแบบปิดยินดีอะค่ะดูแบบอยากไปไปฟังธรรมแล้วก็ได้ใส่บาตรได้ทําบุญกับพระอาจารย์ค่ ะ, ะน่าจะเป็นอย่าง <c oughs> น, นี้อดทนะนะอดทนทําหน้าที่ของเราไปอันนี้ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ทพระอาจารย์คิดในทางที่ดีไว้นะคะมีขั้<ห>นน อาไปคนมาลิกามาิกาอยู่ที่ไหนมาลิกาหายไปแล้วเหรอปิดหน้าจอไม่เป็นไรฮะพูดได้เลยคุดได้เลยฮะปิดนือปิดใหม่ครับปดใหม่ในม่มีอยจะเปิดหน้าจอมึงไปไปกดปุ่มเพนก็มิว กครับกลบน้ำมัสตกงเจ้าข่าผ้าจาอได้ยินไหครับผูจาร์แต่ไมได้เห็นกดกล้องเถมีเครื่องไมยกดล้องมันมันม so ีเครื่องหมายกล้องก็กนเข้าไปกดแล้วครัอาจารย์อ่าโอเคกรับน้ันตกีเจ้าข่าวผ้าจา์ก็การที่ได้ปฏิบัติมานะท่านผู้จาร์ก็ก็รู้ว่าตัวเองนั้น ก็ยังมีความโกรธอยู่นิดๆพอได้ยินแล้วแต่ว่าพอเราได้สติแล้วก็มันก็กลับคืนมาเจ้าข้าพาจย์ก็มีที่จะแจ้งให้พระอาจารย์แค่นี้นห้เจ้าจข้าพระ้าอาจารย์คําถามเราไม่มีแต่ว่าก็ได้ฝึกอยู่ตลอดนะคะพระอาจารย์ได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ได้พระอาจารย์ต่างๆก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ครับค่ก็พยายามละความโกรธให้ได้วิธีละความโกรธก็อย่ า, ยาไปหวังอะไรจากใครแล้วมันก็จะไม่โกรธ ถ้าไปหวังไปอยากได้อะไรจากใครเดี๋ยวมันก็โกรธขึ้นมาเวลาไม่ได้ทางใจวะเจ้่าวผ้าจนะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าข่าวผ้าจ่ายทำใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดยังไงก็ได้ดีก็ได้เขาดีกับเราก็ได้เขาไล่กับเราก็ได้ยังไม่โกรธเจ้าข่าวผ้าจ่ายจะต้องตามให้ทันตาม ตามความคิดของตัวเองให้ถ่านแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งให้มันมากเกินไปอสอนมันเสร็จไม่ต้องไปตามมันสาน ม, มันต่อไปนี่อย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปหวังจากอะไรเท่านั้นผลจะตกแดดจะออกก็ฝันมันตกไปแะดออกก็ฝันเป็นไปน้ำจะ ท, ท่วมา็ฝันเป็นไปเด็กค่ะไม่มีคําถามแล้วนี่ค่<ๆ>ะอาจารย์ทาต่อไปนะครับอาจารย์สายที่ อันนี้อยู่ที่ไหนคอนแกนเนื้อว่าอาจารย์แะข้ามมาการพระอาจารย์ก็ค่ะวันนี้อยู่ขันแกนค่ะอันนี้มหาลัยเปิดหรือปิดอ่าตอนนี้เป็นปิดเทอมค่ะแต่ว่าเริ่มให้อาจารย์เข้าไปทํางานรล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ใครจะเปิดเท่าใช่ค่ะมีมีประชุมวางแผนเตรียมสำหรับการสอนอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยต้องต้องเข้าไปรล้วค่ะพระอาจารย์ แต่ว่าถ้าถ้าไม่มีก็ไปยังทํางานที่บ้านได้ค่ะมีคําถามไหมแต่วันนี้จะ อ, อมีคําถามเกี่ยวกับคําว่าวิวปปัสนาค่ะพระอาจารย์ว่าคําว่าวิปัสนาดูจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงไงดูใจละไงดูว่าร่างกายไม่เที่ยงก็คืออ น, นิจจังทุกข์ค่ะอนัตตา แล้วก็หมายถึงว่าถ้าทุกอย่างคือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่มีตรตนเป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้มแสดงว่าอืแล้วถ้วถาค่ะก็คือถ้าถ้าเรามองเห็นแค่ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้หรือว่าบางทีถ้าถ้ายังไม่ละเอียดก็คือดูเรื่องของความแบบ ความไม่มีตัวตนเหมือนดูอาการ312อะไรเงี้ยใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ก็คือดูลงลึกไปอีกถ้าเรายังมองไม่เห็นว่ามันมันมันมีตัวตนเงี้ยใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันเหมือนต้นไม้นะต้ไนไม้มีตัวต น, นแต่ว่าถ้าเรายอมรับมันก็ก็คือทุกอย่างมันก็เหมือนเป็นธาตุสีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่นนั้นก็คือใจเรายอมรับแล้วก็อาจจะไม่ต้อง ไม่ต้อยวจาแต่แค่แค่ปล่อยวางไม่ไปรักไม่ไปบหวไม่ไปโหวอ่ะก็คือเหมือนมองเห็นว่ามันก็เป็นธรรมดาเกิดก็เรื่องของมันไม่เกิดก็เรื่องของมันดรันอาจารย์ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะดับจะห้ามมันไม่ได้อันนี้ก็คือคําว่าวิปัสสนาใช่ไหมคะพระอาจารย์แสดงว่าทุกอย่างหลายๆอย่างที่เราทํามาเพื่อวิปัสสนาก็แล้วแต่ว่าจะทําอะไรแต่ให้มันได้เห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมคะ ใช่ถ้าเห็นตายแล้วก็เลยมันรู้ใจเห็นจริงค่ะก็เลยก็เลยเห็นเพราะว่าบางทีเอ๊ะคำว่าพิปัสสนานี้อ่าบางทีเห็นเห็นดูอาการสามสิบสองดูอันนี้จังทุกขังอนัตตก็เลยเอ๊ะหรือว่าเรายังไม่รู้จักคําว่าพิปัสสนาว่าอ่าคื อ, ค, อคือมีอะไรที่มากมากมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หรือว่าเรายังเราทําเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างเช่นหนูนั้งสมาธิเงี้ยคะ่ะ มันก็สงบแล้วก็สงบแล้วก็อ่าอกจากสมาธิแล้วแล้วก็มาพิจารณาแล้วก็เอ๊ะดูร่างกายแล้วก็ด้วยความเราเยื่สายสุขภาพแล้วก็ผมมันก็เป็นผมกระดูกดก็เป็นกระดูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีเร า, เราต้อ ง, องพยายามดูให้เราไม่มีเราในร่างกายนีก็คือจริงๆแล้วเหมือนเราก็ไม่มีเราเนี้ยใช่ไหมครับอาจารย์เป็นร่างกายไม่มีเราเราไม่มีเราคือเหมือนเป็นเซลล์มันก็ เราไม่มีเราเราเรามีอยู่เนี่ยเราเป็นคนพูดเนี่ยมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเหมือนอยูแต่ว่าใช่ไหมคะอาจารย์เราอยู่ในจิตเหมือนจิตมาอาศัยอาศัยร่างนี้เหมือนคนขับรถมาอาศัยรถขับเนี้ยคนขับรถคนละคนกันแล้วก็มาใช้เขาไปแต่ว่าก็ก็ใช้เขาตามตามตามกําลัง S <S ไม่ได้ยึดติดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ก็ถ้าน้องเขาอยู <t <t <t ่อแต่ไม่หลงเขาเขาจะตายก็ต้องยอมให้เขาตายก็จะตายก็ก็ยอมนี <t <t uh <t <t ้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าจะป่วยก็ถ้ายังรู้สึกว่าเองยังไม่รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปไม่ทุกประมันรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้มันก็อยู่ประมันไปเนื่อใจให้มันตายก็ปล่อยมันตายไปค่ะ แล้วก็ถ้าอย่างเผื่อมีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วก็คืออแก้ไขตามตามปัญหานั้นใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นถ้าโกรธก็เมตตาหรือว่าถ้าอะไรก็คือแก้ไขไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบใช่ไหมคะพระอาจารย์เ อ, อพยายามพยายามิจารณาทุกอย่างเป็นตายละมัน ก, มนก็มันก็ปล่อยวางได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายเราโกรธกับธรรมชาติในหะ้เราโกรธกับดินเราเราโกรธกับฝนไหมเราโกรธกับน้ําำไหม เราโกกันดินไหมให้ดินทําไมแข็งไห้ดินทำไมตอนนี้มันนุ่มโกดมันหรือเปล่าไมค่ะก็คือเหมือนจริงๆแล้วแค่อันนี้ทังทุกขังอนัตตามันก็ก็ตอบได้ทุกตังค์แล้วนะคะพระอาจารย์ทุกเหตุการณ์มันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเราไปว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรไปอแค่นั้นก็ก็จริงๆถือว่าพอได้เหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็ออื ไปจําเป็นต้องไปขยายความว่าเนี่ยต้องมีอะไรอีกไหน้าอะไรเงี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือให้รู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติแล้วเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราจะทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายคือยอมรับใช่ไหมคะอาจารย์ยอมรับสิ่งที่มันเป็นแล้วก็ก็ปล่อยให้มันเป็นของมันอส่วนของเราก็รักษาใจของเราแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปหลายใจทําให้ใจเราเฉยเฉไป ไม่วุ่นวายอะไรกับใครคำมันบอกแสดงว่าไม่ไม่ไม่ไม่วิปัสนาถ้าวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้แล้วนั่นแล้วนี้แสดงว่าไม่ไม่เห็นว่าเป็นไตละแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้แบบเข้มแข็งมากแต่ว่าเหมือนสิ่งนี้มากระทบแเราใจเราก็รู้ว่าเอ้ยเราไม่พอใจนะแต่ว่าเราก็ออยอมรับเนี่ยก็ยังถือว่าคือยังไม่ไม่ถือว่าถึงถึงว่าดี ที่สุดแต่ว่าเข้าใจแล้วก็สอนใจตัวเองว่าต้องมหมายถึงว่าก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นทําใจได้หรือเปล่าถ้าจําได้ไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้ายังทุกข์นี่ก็คือต้องต้องหาสิ่งมาช่วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ต้องมองให้เห็นต้องต้องพยายามมองให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาให้ได้หรือไม่เทียเย่ยงหรือมันเป็นอย่างนี้ยมันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างน่้ได้ยังไงก็ต้อง ต้องสอนตัวเองถ้ามันแบบถ้าเอาไม่ลงก็องสอนตัวเองให้หนักใช่ไหมคะหยุดดตัวเ อ, อยา่อนนอยาไปอยากอย่าไปอยากอยู่กับเขาไม่ไ ง, งายง่าค่ะอยากไปอยากให้เขาเป็นหนังที่เราอยากนั่นแหละค่ะค่ะพระอาจารย์คถ้าเราไม่อยากเราจะไม่ถึงกับเขาใช่ไหมถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นเราประทุกค่ะมีคําถามเพียงเท่านี้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวก็สอนตัเองต่อไปค่ะสาธุค่ะ คุณสวรรค์ทองอยู่ที่ไหนคุณสวรรค์ทองการรับราชการครับอาจารย์อยู่ที่มหาลาัยกรสินครับผมเป็นอาจารย์เหมือนกันนะทํางานอยู่หอพักชายะชะราชพฤกษ์ครับก็เ อ, อเข้ามารับฟังด้วยครับก็พยายามปฏิบัติอยู่ครับผมเดินเดินเดินงว ง, งอยู่วันละสองสามชั่วโมงนี่แหละครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอดครับ เดินด้สตินะไม่ได้เดินแบบใจลอยนะครับผมใจลอยมากเลยครับพุทโธหายเลยครับต้องต้องมีสติคอยกำกับใจตลอดเวลาแล้วมาจะเดินนั่นจะนั่งนะถึงจะได้ผลถึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติถ้าเดินแล้วใจลอยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัตินเะดินเป็นการเดินเล่นไม่เดินขกงมเดินเล่นครับผม เค okay. มีคำถามอะไรไหมสาธุครับน้อมกบับนรัศกการเท่านี้ครับ okay. อคไหนนี่คุณแมนคุณแมนนี้ไหนแมนได้ยินไหมนดใบไม้ต้องพูดได้อาจารย์ครับได้ยินครับเข้ามาใกล้ๆหน่ยเสียงค่อยครับอาจารย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วอ๋อ น่าจะยังไม่มีคําถามครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ได้ปฏิบัติน้อยครับพอดีเกากําเริบนั่งไม่ได้ก็ได้แต่ฟังธมครับอยู่อยู่องค์เทพเหรออยูี่ไหนองเทพครับสวดประการครับอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติต้องบงังคับมันนะอย่าปล่อยให้มันตามใจมันนี่เริ่มใหม่ครับอาจารย์ครับผดีม่วนึเกิดจากการปฏิบัติทำไมปฏิบัต<ห>ิผลก็ไม<ห>่เก<ห>ิดนะ โอเคนะเหมอไปที่คุณทวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์หลายไปหลายที่เนี่ยไปปิดวิเว้งมาเลยกลับมามสการค่ะพราจารย์ค่ะไม่ได้หายค่ะก็เข้าซูงค่ะแต่ไม่ได้เปิดกล้องกับพราชญ์ค่ะแล้วยังไปปิดวิเว้งด้วอ่ะไปปิดวิเวกครั้งนั้นทเรียนถวายพระอาจารย์ว่าสามคนแรกดี สี่วันหลังสติแตกค่ะพระอาจารย์่ำไปสถานเอ่อจะพูดว่าอย่างไงคะคือแพ็กกิเลสตัวเองค่ะพระอาจารย์คือเขาจะมีบัตรฟรีขึ้นกระเช้าไปชมวิวแล้วสถานที่มันสวยออยองก็เลยสูว น, นการมาฉันท์ได้ไม่ได้นะใช่ค่ะยอมก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไ ป, นไปอุ้ยวันนี้ก็ขึ้นวันนี้ก็ขึ้น ก็กลายเป็นแบบว่าพอไปเห็นโู้นเห็นนี้ทําให้แบบว่ามันมันจิตจิตมันแตกค่ะพรอาจารย์ใจ่ขยายได้ใช่ค่ะเหมือนที่เหมือนที่ลงในในของพระอาจารย์ในหอวว่ากิเลสได้คืบจะเอาศอบลอกลทีนี้พ อ, อกลับมาบ้านก็ยังยังค้างอยู่พระอาจารย์ก็เลยพยายามปฏิบัติใม่เอาใหม่ก็ตอนนี้แก้กิเลสตัว น, นี้อ ย, อยู่บ้านไม่ติดอะไรอยู่บ้านตอนนีหนาซึุดต้องออกได<ต>้ถึงเนี้ย ก็ไม่ค่ะคืออยู่อยู่บ้านก็คือแบบประมาณก็ไม่ได้ออกไปแร้วค่ะพระอาจารย์แต่มันแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับติดว่าเออดูดูดูเสพเสพรูปนะคะพระอาจารย์ดูวิดีโอแบบสถานที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันติดมาคือเอ้ยเราก็ดึงมาใหม่กันตอนนี้ก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์มานี้ก็พยายามใหม่แล้วครับพระอาจารย์แต่มันก็ยังค่อยกลับมา ค่อยกลับมาแล้วจิตค่อยกลับม า, าที่เดิมมาค่ะกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนแรกยมก็เลยบอกว่าคิดคิ ด, คดไว้ว่าโอยไม่กล้าสู้หน้าพระอาจารย์เลยเิดกล้องทิ้ไปเอาไมา่ยมก็เลยคิดว่าเอาไม่ได้สิเราก็ยังติดกล้องแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่แต่ว่าให้พระอาจารย์เห็นหน้าเห็นหน้าพระอาจารย์ได้ได้คุยพระอาจารย์ก็ได้แบบมีกำลังใจมีความมืดมากขึ้นกับพระอาจารย์ ไม่ต้องอายมาสารภาพเส้นไม่ตองขทครึ่งหนึ่งใช่หรอเปล่าถ้าเราสารภาพกับตัวเราเองว่าเราไม่ดีเลยวนึกจะหาวิธีลงโทษตัวเองหน่อยก็ได้ห้ามไม่ให้ดูทีวีหรือห้ามไม่ให้กินอะไรของโปวดบ้างเหมือนกินสุกพตาลแกชอบสมูทตี้พอแกทําอะไรไม่ดีกันเลยห้ามไม่ให้ดื่มสมูทตี้เลย ค่ะพระอาจารย์คือตอนแรกหนูเอโยมก็เอาเอาเอ า, เอาเรื่องนี้ยเข้ามาเป็นลงโทษเองโยมก็เลยคิดว่าลงโทษตัวเองโดยไม่ให้พระอาจารย์เห็นไน ะ, ะมันไม่ใช่มันมัไม่ใช่มไม่ได้ลงโทษตัวเองนะมันมันไม่มได้กหลบหลบเยอะมาพระอาจาร<บ>ย์โยมก็เลยทีนี้เอไปอุ้ยไม่ได้สิยิ่งยิ่งไม่เห็นยิ่งหลบมันรู้สึกเป็นยังไงวม่รู้โอ๊ยโผล่ดีกว่า ต้องห้ามตัวเราเคยทาอะไรเคยชอบดูอะไรก็อย่าดูเลยเคยชอบฟังอะไรชอบเดินอะไรก็ต้องห้ามอย่แวค่ะก็ยโยมก็เรียกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนี้โยมจะตั้งตั้งใหม่ค่ะตั้งแบบเอาแบบจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่งสถานที่เราจะได้รู้ไงว่าเวลาปฏิบัติจริงๆมันเป็นยังไงนะมันไม่ใช่ง่ายนะ ใช่คระอาจารย์พอไปแล้วเอาสถานที่มันก็สัปปายะมันดีนะแต่มันสวยก็เลยอืมสนอยบัตรก็ให้ฟรีอืมไปสนิยแตกเลยครับพระอาจารย์แสดงว่าไม่สัปปายะที่ตรงนั้นอ๋ออ๋อใช่มันมันที่ลอยิเลนเงี่ยอ๋อลอยค่เล มันมันสวยมันสงบตอนแรกเดี๋มันคิดว่ามันสับไปย้า ย, ยครับอาจารย์เป็นนิดเอมันก็สวยเนาะขอดูหน่อยได้ยไม่เป็ไท่รรเรียนรู้จักรู้จักข้อผิดพลาดของเราไม่อย่าไปซ้ํำซากอย่าไปทําซ้ำซากค่ะอาจารย์ก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวอ่าอย่าจะอย่าไปวัดสถานที่เดิมเนี่ยอยวไปซ้อมให้ดีกันอย่าไปวัดเดิบไปวัดที่เดิมเนี่ยครับอาจารย์ เราดูใหม่หรือว่าเช้จไปได้ตลอดแบบไม่ไปยุ่งกับอะไรแล้วใจแบบค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีทั้งส่วก็มีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ดีใจที่ได้ร่เพหน้าค่ะยมขอกับพุทธชาจิตกับพระอาจารย์ในเรื่องในวันขายวันเกิดพระอาจารย์ที่ผ่านมาด้วยนะเจ้าขาจุกค่ะค่ะสุภัตตาสวัตนาอยากบอก จากบอลวินเนี่นะคราบลมาส ก, การพระจารย์เจ้าคะ่ะอ่าพูดดัหน่อยหน่ไม่ได้ยินใช่ไหมจ๊ะคะพอดีว่าเมื่อวานนี้เอ่อโยมติดไงเพิ่งเพิ่ ง, งทราบว่าเป็นวันเกิดพระจารย์เจ้าคะ่ะก็สแสดงวุฒิตามเหมือนที่คุณรโยมเมื่อกี้เคยพูดนะเจ้าคะ่ะวันนี้มีคําถามของคุณแม่ฝากมาถามะคะ่ะ แต่ว่าโยมโยมไม่แน่ใจว่าคุณแม่แม่บอกบอกว่าถ้าหมดลมไปด้วยลมปัจจุบันจะตกอบายหรือเปล่ามันตก<ร>ไม่ตกอยู่ที่บนที่บาปเราทำไว้โยมมัมนมากกว่บาปมันไม่ตก แ, แต่ถ้าบาป ม, มากกว่าบุญมันจะตกเจ้าค่ะอธิบายให้แม่ฟังเพราะว่าแม่แมนตอนนี้<ห> ม, มีเวลารีบทําบุญให้มากๆจะได้มากกว่าบาป อทําบาปแล้วทำแต่บุญเดี๋ยวเวลาตายไปเวลาบุญมัญญญญญญนมากกว่าบาปก็ไม่ไปอาบายไปสวรรค์แทนอ๋อนิยมกําลังเหมือนกับก็บอกแม่ว่าโยมไม่ได้ไม่ได้สอนนะเพราะพ่าอาจารย์บอกผมให้แม่ให้มาสอนแม่ให้เราเราแบ่งปันกันก็คือบอกให้แม่ภาวนา mm hmm. เวลานั่งเฉยๆก็ให้พุโทโธถ้าคิดไปรู้ว่าตัวเองคิดก็กลับมาพุโทโธตอนนี้กําลังกําลังคุยกับแม่อย่างนี้คะ่ะ ถ้าบอกได้ก็บอกถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกถ้าบอกแล้วเขาไม่สนใจหรือ เ, เขาต่อต้านหรือ เ, เขาโกรธก็ไม่ต้องไปบอกค่ะตอนนี้แม่ไม่แม่ไม่ไม่คือแม่ก็ทําตามค่ะแต่ก่อนนี่สวดมนต์อย่างเดียวตอนนี้ก็นั่งสมาธิแล้วแม่ก็บอกว่าทําไมเวลานั่งแล้วคิดจังเลยโยมก็เลยบอกแม่ว่าพระอาจารย์บอกว่าเวลาคิดเนี่ยก็ให้มาพุดโธ ร, รู้ว่าคิดแล้วก็กลับมาพูดโธตอนนี้ก็แม่ก็ังกําลังเรียนเหมือนกั น, นะคะ่ะเรียนทํำ นั่งดิฉันไม่นั่งต้องมีพุทโธนั่งดูต้องดูอะไรทั้งอย่างดูลมหายใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็บอกแม่ว่าถ้านึกได้ก็ให้พุทโธเลยพุทโธง่ายที่สุดง่ายที่สุดเจ้าค่ะตอนนิยมก็ฝึกสติให้ให้ให้มากขึ้นค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอเรียนเรียนเรื่องสติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลานั่งสมาธิมันต้องง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเกิดสภาวะอะไรเนี่ย มันจะเข้าใจเร็วอะค่ะอาจารย์พยายามก็พยายามละตรงนี้อยู่ด้วยเจ้าค่ะถ้าเด็กแล้วมันจะนุ่งรวยขึ้นนุ่งถันเจ้าค่ะแล้วก็จะพยายามสอนตัวเองให้เยอะๆที่อาจารย์บอกว่าให้พยายามรักษาใจก็เอาคํานี้ไปไปคํานึงอยู่ในใจตลอดเจ้าค่ะอเยกมีแค่เจ้าค่ะสาธเตมอุุนคุณทัศนีคุณหมอเหมือนกันนะ ยู่ปทุทธานี้นะศัลวแพย์โอเคไม่ได้แนละ้วนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่าะวันนี้พการะอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคาถามค่ะมมีคาถาม น, นะโอเคอรับกำลังใจเจ้าค่ะโอเควัน้คพัทธลพนต์ต่ อ, อี่ไหนคุณพัทธลพต์กรุงเทพครับนมัศการครับ มีคำถามอะไรไหมวันนี้ไม่มีครับผมขอฟังครับวันนี้เพราะว่าก็เจอปัญหาเหมือนกับท่านที่ผ่านมาก็ปัญหาเดียวกันกมฟังก็ได้คาตอบจากว่าว่าอาจารย์จะเรียบร้อยแล้วครับดีอทําไปเรื่อยๆนะทําต่อไปครับหาโนัต ก, กันเหมือนยิ่งตอนนี้เหมือนกับคล้ายๆกับว่าอะไรครับ คล้ายๆกับเต็มคล้ายๆกับว่าเป็นเด็กติดโซเชียลไปพอถึงวันพูดทีก็รีบมานั่งจดจอครับหน้าจอโทรศัพท์มันมีอะโซเชียลแบบนี้มีประโยชน์ปกติเมื่อก่อนนี้จะชอบดูแบบมือถือดูสปเปซเฮล่าไปเรื่อยเปื่อ ย, ยพอพอมาพอมาเือสินแพ้แล้วครั้นี้มันเหแบบว่ามันดูไม่ได้ก็เลย ป, ปล่อยไ ป, ไปแล้วพอเวลาถึงวันพูดนีน ใจจดใจจอแล้วจะทำอะไรก็ต้องรีบทำไม่เสร็จก่อน2องคูงเ่เมืออ่อกันนี้มก็เด็ติดโซเชียลเลยครับอาจารย์นี่ติดทำาะไก็แล้ไม่แล้โซเชียลแล้วทำอะไรทำอะไรโครับแถวนมั <Everyone. S 2> นสกัดพ<ร>่อ<ร>อาจารย์รถแทงทำจะ น, น, น่ารถแทงกลัวครับครับผม ค, คุณยินดีจากเซาแลนด์อลาเนียอสวัสดีครับท่านอาจารย์เดวิดฝากบัม สวัสดีมาให้ท่านอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะดาสาธุาจารมีอะไรไหมรู้อยากจะทราบทั้งนี้นะคะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆกันก็ไม่ได้หยุดนะคะท่านอาจารย์แต่งงตรงที่ว่าทำไมแบบเวลาพยายามที่ฝึกสติอะคะ mm ่ะไอสติเนี่ยคือ ลูกจะพยายามกำกับอยู่ที่การทำงานบ้านเวลาเราจะไปไหนเราเดินหรือเรานั่งอะไรเงี้ยแต่บางทีอ่ะมันมันมันมันมันมันไม่้องกำกับอยู่อ่ะค่ะแต่แต่ใจมันไม่ได้คิดอะค่ะทั้งวันแต่ที่ที่เราอยู่มันชินเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เรามีสติบางทีต้องไปเปลี่ยนที่ไปที่นี่มันแปลกมูแปลกตาแล้วก็มีภัยบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทากระตุ้นให้เรามีสติมากขึ้น แต่เวลาเรานั่งสมาธิมันโอเคค่ะท่านอาจารย์ก็ก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ได้เท่านี้นะมัก็ไม่ได้มากแต่ก่านี้นะแต่สติก็คือสติก็คือพยายามที่ว่าจะให้มันแบบกํากับอยู่กับการนี่แต่มันไม่ได้คิดอะไรนะคะท่านอาจารย์คือหนูต้องการหนูต้องการเอาสติอ่ะกากับตัวเราเฉยๆว่าเออเดินก็คือเดินเออนั่งก็คือนั่งกินก็คือกินมันไม่ยามอยู่อย่างนี้เราใช้โนหนึมันไล่มันมันคือคือ ถามว่ามันไม่ได้ยอมอยู่ลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันมันว่า ง, ม, างมันก็ว่างนะคะท่านอาจารย์แต่คือต้องการเอาสติไปแบบอยากให้สติรู้ว่าเออเนี่ยเออกําลังล้างจานอยู่กําลังแบบคือคือทุกสเต็ปเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเราแบบต้องการเขียนเป็นขั้นไปเลยว่าเออเนี่ย <halo, S 1> <fare? S 2> ตื่นมาแปดโมงคือกิน ข, ข้าวเออเก้าโมงคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันเหมือนมัน blank นะค่ะเหมือน มันว่างมันไม่ว่างก็ไม่เป็ไรมันไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ว่ากําลังทําอะไรถ้ามันว่างแบบไม่รู้เนี่ยวทําผิดทําถูกคือเวลาเราล้างจานเรารู้คือหนูกําลังแบบเราล้างจานเรารู้ว่าเราล้างจานแต่คือหนูต <c oughs> ้องการให้แบบสติเข้าไปแบบว่าเออแบบทุกนาทุกนาทีก็คือว่าล้างจานเอากำลังเอาจานแบบวางวางตรงนี้แล้วก็กําลัง เปิดแก๊สแบบทุกวินาทีคืออันนี้อันนี้มันละเอียดไปหรือเปล่าคะท่าอาจารย์ไม่ละเอียดแล้วสติมันจะได้ถีขึ้นอ๋อต้องทําถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมคะคือทำได้ก็ดีให้มันทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกททุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกท่กทุกทุกทุกทุกขั้นตอน เนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะมันมันไม่ได้มันมันหลุดมันมันมันมันหลุดหายไปอย่างสมมติอ่าถ้าเราช้าลองลดทำช้าลองลดถ้ามันท้าปกติมันไม่ได้เราลองทำมันช้าลงส้าเราโมชั่นอยู่นะอ๋อค่ะแสดงว่าแสดงว่าดูทำเร็วเกินไปใช่ยเพราะคือไม่เร็วเกินไบสติเราบันช้ามันไม่ทันเราก็เลยต้องให้มันให้ร่างกายมันช้าลงเพราะสติมันได้ตามทัน แล้วต่อไปพอมันทันแล้วก็ก็กลับมาทําตามปกติได้พระท่านอาจารย์ค่ะแต่เวลานั่งสมาธิแล้วก็ก็ก็โอเคแล้วก็ช่วงที่นั่งสมาธิญานูอยากจะทราบว่าเวลาเราแบบเวลาเวลามันเวลามันว่างก็คือปล่อยให้มันว่างอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็มันได้ไมันว่างก็ไม่ทำอะไรก็คือเท่าไหนก็คือเท่านั้นจบอไม่ไม่ไม่ต้องสนใจอะไรก็คือให้ว่างอยู่ตลอดคือหนูเคย เคยได้ยินท่านอาจารย์พูดกับท่านท่านหนึ่งเมือ่อคราวที่แล้วหรือเมื่อสอสองาทิตย์ที่แล้วแต่หนูไม่หนูหนูไม่อยากรบกวนเวลาท่านอาจารย์ที่ว่าให้มาถามใหม่นะที่ท่านอาจารย์บอกวเวลาว่างแล้วถ้าเกิดมันว่างดีแล้วลองแบบลองลึกเข้าไปข้างในไอ้ลึกเข้าไปข้างในหมายถึกมันหมายความว่า ย, ยังไรคะท่านอาจารย์ก็มันมันมันนิ่มากขึ้นมันนี่มันสงบมากขึ้นแต่ถ้ามันเฉยมันสบาย คำมันเฉยมันเฉยมันสบายแต่คือนั่งแล้วมันเฉยมันสบายแต่คำว่าไอ้ลึกมากขึ้นมันหมายถึงหมายถึงนานมากขึ้นหรือนานด้วยให้หนูตรงฝันเนี่ยครับนานลึกจนกระทา่งร่างกายหายไปเลยท่านลึกเข้าไปลึกๆร่างกายจะหายไปคำว่าลึกเรื่องรางกายไม้หายไปแล้วคําว่าลึก มันหนูจะต้องปฏิบัติยังไงคะถึงคำว่ากีสติต่อไปมีสติดูอ<ง>้นัง่งถ้ามีลมก็ดูลมต่อไปอย่านั่งเฉยเฉยอูอยอโทต่อไปอ๋อหนูก็เวลาหนูนั่งก็คือแบบหนูก็ว่างคือนั่งสำหรับหนูก็คือเวลาสบายหนูก็สบายหนูไปเรื่อยๆหนูอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็เลยไม่ทราบคาว่าเอ้ไอ้ลึกเนี่ยมันจะต้องทําในลักษณะรูปแบบไหนก็ต้องพูดโธรแล้วดูลมไป อ๋อถ้าเกิดถึงถึงแม้ว่าเราอยู่ในช่วงที่สบายแล้วพอสบายแล้วพอสบายแล้วมันยังไม่เต็มที่อ๋อค่ะถ้าเกิดสบายแล้วมันยังไม่เต็มที่ดังนั้นอ่ะพอพอถึงแม้ว่าหนูอยู่ในช่วงสบายแล้วดังนั้นพอรู้ตัวว่าสบายแล้วให้ให้กลับมาบริกา ร, รพุดโธใหม่แล้วก็เพ่งเพ่งไปที่ปลายจมูกใหม่ถ้าอยากจะลงไ <ป S 2> ม่ไกว่านั้นถ้าอยากจะให้ร่างกายหายไปเลยก็ต้องพูดโธรกลับอ๋อค่ะเขาอ๋อหนูเทราบแล้วค่ะอาจารย์ ค่ะคือหนูก็จะหนูเข้าใจว่าเออพอสายเครื่องหนึ่งมันอยู่เครื่องนึ่งแล้วมันยังรับรู้ร่างกายถ้ามันยา้ายมันเลื่อจนงไม่รับรู้เรื่องร่างกายแล้ ว, ล ว, ลวมันพุต้องดันมันเข้าไปด้วยพุทธเทแล้วดูลงต่อค่ะถ้าอาจารย์หนูก็เข้าใจว่าอืมมันหนูเข้าใจว่านิ่งแล้วก็สงบแล้วพอนิ่งแล้วสงบแล้วก็คือให้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องสนใจอะไรเลยมันมีรายระดับไงมันนิ่งสงบมันมีรายระดับระดับที่ยังรับรู้ร่างกาย แล้วราดบที่ไม่รับรู้นั้นกายหายนั้นกายหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวคือหนูรู้แต่ว่าแบบมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนบางครั้งบางคราวอ่ะเหมือนเหมือนเราเห็นตัวเราเฉยๆแค่นั้น่ะค่ะท่านอาจารย์เหมือนมีความรู้สึกว่าแต่หนูก็ไม่รู้สกว่ามีร่างกายด้วยยังไม่รู้สึกว่ามีร่างกายยังได้ยินเสียงได้อะไรอย่างนั้นอยู่แบบ ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่ารถวิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยค่ะได้ยินค่ะท่า น, นอาจารย์ก็แสดงว่ายังไม่เข้าไปเต็มที่เข้าไปเต็มที่เสียงยังไม่เข้ามาเลยอ๋อค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็คือถ้าเกิดอันนี้คือหนูก็ไม่ทราบว่าเรานิ่งหรือเราไม่นิ่งแต่รู้แต่ว่ามันนิ่งมันมันม<ต>ิ่งแต่มันไม่เต็มที่ไม่เข้าไปเต็มที่ค่ะก็คือว่าพอพรถึงพรนิ่งแล้วเราสบายแล้วพอสบายแล้วยังไงก็แล้วแต่อย่าไปอยู่ในตรงนั้น ให้ให้ให้กลับมาที่พูดโทแล้วก็เพ่งไปต่อก็<ต>นี่คือเพ<ต><ต>ว่า<ต><ต>ความถ้าอยากให้มันเข้าไปเรียกว่านะั้นก็ต้องพูดโธต่อไปอนิงนึงค่ะให้พูดโทต่อเพราะพอหนูนิ่งพอหนูนิ่งแล้วมันพอนิ่งแล้วมันสบายแล้วหนูก็เลยเริ่มหยุดพูดโทหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้พูดโทก็คืออยู่อย่างนั้นหนูก็เลยเข้าใจว่าเออเขา ที่ที่ที่ทำมาหนูก็จะว่าเวลาเราสงบก็คือให้อยู่กับความสงบไปเรื่อยๆในราาะนั้นให้ตลอดแต่เม<ด>ื<า>่มันมีหลายระดับในความสงบมีหลายระดับค่ะถ้าอย่าใช้มันลึกไปกว่นี้มากเป็น่า น, นี้ก็ต้องพูดโชว์ต่อไปค่ะถ้าจารย์ค่ะเราก็ทางร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตนวนๆอยู่ตัวเดียวเคยเคยเคยเคยมีค่ะเคยมีอยู่สองครั้งตรงที่ว่าที่ทํามาค่ะคือตรงที่ว่ามีความรู้สึกว่ามัน มันแบบมันมันมันไม่รับรู้อะไรเลยแล้วแบบเหมือนแบบแล้วก็ไม่มีเวทนาอะไรเลยแล้วมันก็อยู่ได้นาน<ม>ก็เลยงงกับตัวเองเคยเกิดขึ้นประมาณสองถึงสามครั้งนะคะ่ะ<ม>ก็เคยเหมือนที่มีคนอยู่คนหนึ่งที่เขาอธิบายว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาอยู่ได้ขนาดนั้นหลับด้วยป่าแล้มันแบบหลับก็ได้ไม่หลับค่ะท่านอาจารย์สว่างอยู่นะแต่ okay. ค่ะขอบพระคุณมากคับ่านอาจารย์ค่ะค่ะท่านนี้ก่อนนะคุณเกคุณเกศเชลเลนจากนอตแคนาลายน่าเมื่อเช้าอันนี้นอตเพื่อนบ้านเพดกันกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์กลับไปถึงบ้านกลับไปถึงอเมริกานานะอยังประมาณเดือนหนึ่งเจ้าค่ะเดือนหนึ่งแล้วเลยไมายังไม่ยังคงไทยดกี่วัน เออสามเดือนเจ้าค่ะสามเดือนนะเจ้าค่ะตอนนั้นตอนนั้นเราถูกักตัวสองอาทิตย์นะเจ้าค่ะถากกลับไปไม่ต้องไม่ต้องกักตัวใช่ไหมากลับไม่ไม่กักตัวเจ้าค่ะกลับมาก็คือกลับบ้านได้เลยเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะเข้ามากลับนมัสการเฉยเจ้าค่ะอังเจ้ามาเยี่ยมเยียนมาทักทายอังเจ้าทนายอังเจ้าสวัสดีค่ะ ว่าดีแค่ก่อนพูด ไ, ดไ <ป S 2> หมพู ด, ดได้ไ ม, <c oughs> ไม่รู้ว่าพูกับใครให้ <c oughs> ดูี ไ, ไปที่ท่านต่อไปนะคุณนันทภา เ, เชิญคนันทภาจากอมค่ะการนมันสการจ้ขพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคำถามค่ะแต่มีอย่างหนึ่งที่ประทับใจอ่านจาก การเฟซบุ๊กโพสที่อยู่ในเพจภาษาอังกฤษอะค่ะที่มีคำถามว่าพระอาจารย์จะเมตตามีชีวิตอยู่เมตตาลูกศิษย์แล้วมีชีวิตอยู่นานๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะแล้วในในคำตอบอะค่ะมีคำว่าให้ลูกศิษย์อะค่ะมีความเมตตาต่อพระอาจารย์โดยให้นำธรรมะไปสู่จิตใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะอาจารย์ และอยู่ไปแล้วสอนไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรไรู้จะสอนไปทำไมตอนแล้วนักเรียนก็สอบตกบางทีส่งไปสอบทีไหนก็สอบตกบางทีงก็เลยจะซาบซึ้งถึงใจเจ้าขาพะย่ะเวลาเป็นติวเตอร์เนี่ยเด็กมารติวเตอร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วเวลาไปสอบก็สอบตกไหมติวตเตอร์ก็หมดกําลังใจเด็ติวเตอร์ก็เลยมีกําลังใจปฏิบับติมากขึ้นเจ้าขาพะย่ะ ต้องมีผลงานมาให้ติวเตอร์ดูบ้างเลรวมอย่างรอดเร็ น, นทีพุดเข้าไปเลยเ จ, <อ>จะค่ะไม่มีอะไรเจ้า่าว่าใจวันนี้มีเท่า น, นี้เจา้าค่ะกับมาักการเจา้าค่ะคุณชนะพ้นตอไหมเขทาทำอเหมือนกันคุณ ป, ปาไม่อยู่นะมัการค ร, รับอาาร์ปฏิคมปลาติดสายอยู่ครับมีอะไรไหม คำถามไม่มีครับมีแต่ว่าวันที่ไปกราบอาจารย์แล้วก็ได้ขึ้นไปบนเขาอือก็ได้ไปดูกลุ่นเส้นหน้านะไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะอยู่ได้หพี่ป่าแต่ว่าของฝั่งฝั่งผู้หญิงเนี่ยคุณปาเขเพราะว่าเขาน่าจะอยู่ได้ครับเอาผู้หญิงสบายหน่อยครับก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปติดด้วยครับเพราะว่าอยากทัการว่าว่าวันที่เราอยู่ในที่ที่แบบ เราคุ้นเคยอ่ะแล้วมันก็มันปลอดภัยมากเกินไปอ่ะเราก็ไม่ได้ทำสติไม่ค่อยมีครับถ้าไปอยู่ที่แปลกที่ที่น่ากลัวหน่อยมันจะทําให้เป็นความนวมสว่างความนวมสว่างก็คือสติแล้วก็โดนซับเอาฟิวเลยเลยอยากเรียนถามว่าตรงลานที่อยู่ข้างล่างสาราครับที่ที่พระอาจารย์เคยเคยเทศน์รุ่นเก่าครับเราสามารถไปวางการเต้นได้ไหม คือตอนนั้นเป็นส่วนการเดี๋ยวท่าก็จะไปไ ป, ปมาๆมันไม่มองต้องไปไต้องแ ย, ไงยกไปอยู่ในในมุมที่ไม่มีใครเดินผ่านครับที่ปฏิบัตินี้เราจะจัดให้เป็นเป็นจุดๆไปไม่มีใครเดินผ่านได้ออกคะนั้นไม่รับควนถ้าไปไปการเลินอยู่ที่ส่วนการเนี่ยคนเลยก็มาอเอ้าใจใจเราไม่ยอมไม่สะดวโปดสิดูตอนนี้ครับ มาได้มารองสืบเส้นงานกันก็ไม่มีคำถามอะไรครับไโอเคเาไปในคุณธรมวันนะการรัชกาลเจ้าค่ะที่เมื่อสองเดือนก่อนโยมเรียนพระอาจารย์ว่าอยู่ตัวคนเดียวทุกอย่างหมดสิ้นแล้วไม่มีอะไรแล้วจะไปอยู่อย่างอยู่วัดก็เจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์แนะนำให้ไปทางวัดต่าบ้านตาดก่อนช่วงนี้วัดทางอีสานเขายังไม่ให้ เหมือนกับมันยังเพิ่งโควิดมันยังไม่สนิทนะคะ เ, เขาก็เ ย, ย เ, เขาก็เลยยังให้อยู่แบบสามวันเจ็ดวันคือเขายังไม่ได้อยากเปิดให้กับใครเข้ามาอยู่ลองอยู่นานกว่านั้นนะเจ้าค่ะโยมก็เลยก็เลยปฏิบัติที่บ้านไปก่อนแต่ว่าคือไม่อยากไม่อยากคอยภาวะาพะวงก็เลยอาที่บ้านไปก่อนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยจะปรึกษาพระอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เอ่อโยมอยู่ตรงสถ า, านีรถไฟสามเศษใช่ไหมคะโยมก็นั่งรถไฟไปหน้าวัดยานแล้วโยมก็ไปพักเจ็ดวันแล้วโยมก็กลับบ้านเจ็ดวันแล้วโยมก็ไปใหม่เจ็ดวันอย่างเงี้ยจะเป็นไปได้ไหยจู่ครับก็ลองถามเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลดูว่าเขาจถ้าอยู่เ<ม>ขาอย่างเงี้ยคะ่ะของบนเขาก็ต้องต้องลองถามคนที่ก็จัดที่ให้ว่าถ้ามีว่างก็คงจะโอเคเข้าไม่ห้าง คือ ต, ติดต่อที่คุณลาช่คุณลาแล้วคุณล่าค่ ะ, คลคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อวันที่ทุกๆคนไปมุทิตาจิตพระจารย์โยมไม่ได้ไปแต่โยมรู้สึกเหมือนปะตักปักเข้าไปที่หลังว่าพระจารย์เราอายุเจ็ดสิบสี่แล้วเราก็ยังไม่รีบเร่งอีกแล้วก็ มันเมือปรตักปักหลังไว้รีบเร่งให้รีบเร่เงพระอาจารย์ก็ธาตุขันก็ต้องอ่อนลงตามวัยนะคะ mm. ก็ก็เป็นเรื่องเตือนใจอีกเรื่องหนึ่งการเจริญมานั้นสติเนี่ยมันจะทำให้เราทั้งเราตั้งเขาว่าชีวิตเราใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆใกล้ความแก่ไปเรื่อยๆอย่าโยมประมาทไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เสียเวลาเปลราๆเจ้าค่ะเวลามาทุ่มให้กับการปฏิบัติธรรมดีมาเจ้าค่ะ กล่าวขอพระคุณค่ะต้อยมีเรื่องเท่านี้ค่ะไว้จะติดต่อคุณล่าค่ะคุณล่าคุณล่าค่ะกล่าวขอพระคุณขอโทษค่ะคุณได้ถ้าลองติดต่อดูนะถามดูแล้วค่ะกล่าวขอพระคุณเจ้ค่ะเป็นคุณเจตตอบคุณเจตนื้อห้หนยเจตงามประเสริฐนมันสการพระอาจารย์ขอรับเอ่ออยู่ภูเก็ตครับผมอมีอะไรไหม วันนี้มีมีมีขออนุญาตถามพระอาจารย์สองคำถามครับคำถามแรกเป็นความรู้ครับผม อ, อคือเคยได้ยินได้ได้ยินได้ยินแล้วก็ได้อ่านมาได้ได้ฟังแล้วก็ได้อ่านมาว่ากุศลคือความฉลาดขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายครับผมก็นะความฉลาดก็คือความรู้รู้ผิดถูกดีชั่วนิรันดร์ว่ากุศลที่เราทําบุญเนี่ยก็เหมันเป็น การที่เรารู้ว่าบุนนี่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็ทำมนเป็นกุศลไปรู้ผิดถูกดีชั่วรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้ประมาลดงการร่างเทสะรู้สังคมเนี่ยนี่คือกุศลนะคือความรู้ความฉลาดครับผมอ๋อทีนี้เวลาที่เวลาที่เราจะทำอะไรทาง ทางกายวาจาใจเราเออคือบางทีเราเราเราจับไม่ได้ว่ามันมีมูลเหตุมาจากตัวอกุศลแต่เราแต่เราจะพูดว่าเงคือคือเราก็เอาเอากุศลและกรรมบทสิท หรือว่าหัวข้อธรรมกุศลกรรมบทสิทธิหรือว่าอกุศลกรรมบทสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอามาเป็นเอามาเป็นอะไรที่ตั้งเอาไว้ก่อนได้ใช่ไหมครับใช่แล้เช่นศีลเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษ์ไม่มาพูดผิดตรงนี้นี่น ค, ค, อออคือเป็นกรรมบทใช่ไหมครับผมครับออออีกคําถามนี้เป็นคําถามเรื่องการปฏิบัติครับ คือผมจะทําอานาปนาสติโดยดูลมหายใจแล้วก็โดยใช้การคาบริกรรมพุโทโธครับบางครั้งก็สลับนับเลขหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกไปถึงสิบครับผมเสร็จเสร็จปุ๊บทีนี้บางครั้งเนี่ยเราดูลมหายใจสักพักหนึ่งเราเรามีความสุขกับลมหายใจแล้วคําบริกรรมเนี่ยในใจบางมันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใจผมมันรู้สึกอึดอัดเหมือนคําบริกรรมมันเป็นส่วนเกิน อยากขอได้ไม่ต้องรกรรมนรยมก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้คือมันไม่หายไปอะครับแสดงว่าผมยังเข้าสมาธิ ก, ก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่หายง่ายเราก็กาหนดดูลมไปอย่างเดียวอ๋อก็ก็เน้นกําหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันไปเลยใช่ไหยปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราับก็ยิ่งไปเนาะครับผมคารับบุญแล้ว ในตอนนี้นะลองปฏิบัติอยู่น ะ, อะเอาอย่างได้อย่างหนึ่งเอาพุดโท่อย่างเดียวก็ได้เรืออารมณ์อย่างเดียวก็ได้อ๋อครับผมได้ได้ครับผ ม, บผมเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนี้ครับโอเคนะคอันนี้คุณหญิงต่อคุณหญิงไม่ใช่แม่คุหญิงเข้ามานะอยู่ที่ไหนสวัสดีเาาจ้าจพาร์อยู่เชิยงใหม่เจา้าพาร่างมีอะไรไหม อาจารย์หญิงเคยปฏิบัติเจ้าค่ะตอนช่วงยี่สิบกว่าแล้วก็หญิงเคยเรียนธรรมะจบเอกอะค่ะอยู่ตอนช่วงสิบกว่าแต่ทีเนี้ยหญิงมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเอรถยนต์เจ้าค่ะแล้วทาให้หญิงอ่ะนั่งหรือยืนนานๆหรือเดินก็จะอิรยาบถมันจะไม่สามารถทําได้นานแต่ทีเนี้ยอาการบรรทุเรารู้หญิงไปลองปฏิบัติตัวค่ะแล้วหญิงมีปัญหาเพราะว่าหญิงเจ็บแล้วหญิงอดทนพอหญิงอดทนปุ๊บหญิงก็คือ หญิงคิดว่ามันเป็นกิเลสเหมือนที่พราจารย์เคยเคยพูดให้ฟังเออเราอาจจะเหมือนกับไม่อยากนั่งแล้วหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ทีเนี้ยเ อ, อประเด็นคือมันเป็นปัญหาจริงๆเกี่ยวกับร่างกายหญิงค่ะแล้วจริงก็คือเหมือนเป็นแบบพวก อ, อักเสบเส้นเอ็นสะโพกหรือกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้เจ้าค่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นหญิงก็เลยกลัวที่จะนั่งหรือปฏิบัติแบบในท่าโพสิชันเดิมๆนานๆเจ้าค่ะแล้วมันเลยเหมือนแบบไม่ได้ทาําแล้วหญิงก็เลยมา ฟังพระ อ, อาจารย์เทศเ อ, อเจ้าค่ะแล้วก็พอเอินเมื่อไม่นานมานนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์พูดอีกเจ้าค่ะว่าฟังอย่างเดียวอ่ะมันก็จะไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้เออ่ฝึกที่จะใช้สติแล้วก็ปัญญาที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเออก็ฟังแล้วขาไปปฏิบัติปฏิบัติ <c oughs> ก็บ ม, มากน้อยก็ทําไปสมัครนั่งได้ทางนี้พอไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไดอ้ฉลับกันไปได้ แต่อย่าหยุดปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าไม่ได้ใช่มันมันมีช่วงหนึ่งหญิงนอนนอนอย่างเดียวแล้วพอหญิงนอนเราหญิงดูลมหายใจหรือหรือบริกรรมอย่างเจ้าค่ะแต่มันก็ไม่ดีเจ้าค่ะแล้วหญิ่งหลับไปเลยใช่มันจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินต่อถ้าอยากจะปฏิบัติต่อนก็นั่งทนไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อพูดโทรต่อไปแล้วดูข้าวต่อไปก็ได้แล้วเดินยงนังถ้าไม่ไหวแล้วก็กลับมานั่งไ่สสลับ ไปเรื่อยๆสำหรับนี<ๆ>้ไปตามตามสภาพของร่างกายร่ากายมันทำได้แค่นี้ก็เอาเอ า, เอาตามสภาพออกมาแต่เราสามารถทําทําใจของเราคือจริญสติได้ไม่ว่าจะจะจ ะ, จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้เจ้าค่ะพระนี<ๆ>เดี๋ยวพอสติเรามีมากๆแล้วเวลากลับมาน้าหาดจะสงบพอสงบแล้วมันจะเป็นรู้สึกอาการเจ็บของร่างกายมันอาจจะนั่งได้นานต่อไป หญิงมีอีกค่ะคือปกติเวลาหญิงอ่านหนังสือหญิงชอบอานน่านหนังสือให้หญิงอ่านหนังสือเยอะแบบอยู่แล้วมีคนเรียกหรือคุยกับหญิงหญิงไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะอันนี้มันมันก็มีสมาธิในระดับสมาธิอยู่กับการอ่านหนังสือเราเราเราเราไม่สมนใจเราไม่เราไม่ควรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็เป็นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ<อ>แต่ว่าไม่ต้องการที่จะดูหนังสือให้ดูลงแทนค ดูให้พูดโทรแทนแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะนิ่งเหมือนกับอ่านหนังสือจะไม่รับดูยัไม่สนใจกับเรื่องไข่พระอาจารย์อายุเยอะแล้วเหรอเจ้าคะอ่ะเจ็ดสิบสี่เนี่ยนิ่งได้ยินเมื่อกี้มีคุณพี่เขาพูดหญิงไม่เคยรู้ว่าพายคอนอายุเยอะไม่เชื่อหรอไม่เชื่อเจ็ดสิบสไม่ค่อยนะคะเสียงไม่ค่อยแก่ดูมีแรงเยอะอะ <laughs> <laughs> โอเคมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะ อ ย, อยู่ที่ไหนเชียงใหม่เลย <Okay. S 1> okay. ออาค่ะโอเคพยายามทําดูนะทำเมื่อยแล้วก็เล่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินได้เดินแล้วเมื่อยก็กลับไปนั่งได้นะอย่าห <Okay. S 1> ยุดทําอย่าไปนอนอนอก ง, องอากนอกจากมันถึงเวลานอนจริงๆก็ไปนอนได้แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานอนก็เดินเดินกันนั่งเนี่ยสลับกันไปเอาค่ะ <Okay. S 1> ก็สําคัญ <Okay. S 1> ต้องมีสติเวลาเดินเวลานั่งนะค่ะโอเคท่านต่อไปคุณฟังว่าอะไร สีรละจาใมรสการเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะาาการใช้ปัญญาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการใช้ปัญญาในทางธรรมเราสามารถเอาปัญญาที่เรานั่งสมาธิได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการทำงานได้ไหมเจ้าคะได้คือปัญญาคือเหตุผลไยไม่ว่าจะทางทางโลกทางธรรมก็ต้องมีเหตุมีผลเนี่ทำท ทำยังไงถึงให้ได้รายได้มากขึ้ น, นมันก็ต้องไปทําที่เหตุใช่ไหาต้องทาอย่างนี้เพิ่มอย่างเงี้ยเช่นขยายสาขามีสาขาหนึ่งมันได้แค่นี่มันเต็มที่แล้วอยากจะร า, รายได้เพิ่มมากกว่านี้ก็ต้องไปเปิดอีกสาขาหนึ่งอันนี้ก็เป็นการคิดแบบเหตุผลมั็นแค่คิดว่าอยากจะได้เพิ่มเดี๋ยวไปจุดธูปสามเทียนสามดอกไปขอพระให้ปะพมน้มํามนต์ให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้รายได้เพิ่มนี้มันก็ไม่ใช่เหตุผล โยมเห็นไม่บ่อยเลยอแอนกเซลลนะเขาเวลาเขาอยากเขาอยากจะขายของได้เขาจะแอบไปว่ย <นะ S 2> ายนะมนไม่เห็ น, มนไม่ใม่เหตุเหตุผล น, นะทําทำไมฝรังไม่ไม่ห็มันต้องจุดทูบเทียนเลยคนที่อเมริกาันเห็นก็จุดทูบเทียนกันเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเขาใจเหตุผลนตอนนี้คนต้องการอะไรเทสลาไม่มีคนต้องการรถไฟฟ้ากูผลิตรถไฟฟ้าเยอะเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้ว ก็คือต้องใช้ปัญญาแล้วก็ใช้เหตุผลเนีไยปัญญาก็คือเหตุผลทําอย่างนี้น ก, นก็จะได้อย่างนี้ทาํทาทําก็คือทอํานี้แล้วก็จะทุกข์ทำนี้แล้วจะสุขการทำมันจะดูที่สุขที่ทุกข์ไม่ได้ดูที่เงินที่ทองแล้วก็ทำอย่างไงไม่ให้ทุกข์ทำไงไม่ให้ทำไงนอกถึงจะสุขก็มีมามาาสา ม, ามอย่างไม่ทําบาปหนึ่งลองทําแต่บุญสามหยุดกิเลสหยุดความอยาก นี่คือทางธรรมปัญญาทางธรรมก็เป็นแบบนี้ตางกับทางโลกเป้าหมายทางธรรมเนี่ยเอาที่ความสุขเป็นหลักการดับความทุกข์เป็นเป้าหมายทางโลกก็ดูที่เงินทองรายได้ใช่ไหมคะยงจะพยายามบาลานให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจมันมันก็จะส่วนทางแต่ก็พยายามจะใช้หลักธรรมในการที่จะ บรหารตัวเองแล้วก็เรื่องของจิตใจในการทํางานให้มากที่สุดคือทําเท่าที่เราจะเป็นต้องต้องต้องมีเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นก็พอแต่ไม่ต้องทําเพื่อให้ร่ำให้รวยไปอวดชาวบ้านว่าฉันรวยนั้นมีรถสิบคันนั่นมีคอนโดสิบห้องสิบแผ่นนีอ่ออันนี้มันมันไร้สาระค่ะเสียเวลาเปๆเข้าใจนะโอเ okay. นะคกมเดินต่อ เป็น E and อะไรตั้งกิจนะเป็นชื่อของทีมงานนะคะอาจารย์เก่าเนวัฒการพระอาจารย์ค่ะอรู่กรทมใช่ไหมอยู่เทีนใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์อันนี้มีคำถามอะไรไหมมีค่ะพอาจารย์คือเหมือนอยากรู้ว่าเหมือนแบบคือหนูก็เหมือนสอนทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์แต่ทีเนี้ยเหมือนเวลาที่เขาไม่ทําตามเราเราก็จะเหมือนหงุดหงิดแล้วก็แบบโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเหมือนเราก็รู้อยู่ในใจว่าเหมือนกับว่าแบบเออเราก็อยากจะให้เขาด้วยอะไรอย่างเค่ะแล้วก็เหมือนกับเราก็รู้ด้วยว่าเหมือนเราก็ไปยึบอะไรกับคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบจัดการจิตใจข้างในไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเราไปยึบติดอะไรที่เราเองยึดอยู่เนี่ยค่ะเราไม่คิดว่าเราสั่งเขได้คําจริงเราสั่งแล้วแต่เขาไม่ทําตามเราสั่งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราจะไปคาหวังให้เขาทําตามที่เราสั่งไม่ได้ไม่เหมือนสวิตไฟฟ้าใช่ไหม กดปุ๊บไฟก็ติดครับอันนี้กดปุ๊บไฟยังไม่ติดยังดับอยู่เราไปโกดมันหรือเป่าไปกดมันได้อะไรก็ต้องยอมรับความจริงว่า อ, อ๋อเราสั่งให้เขาทล้วเขาไม่ทําแล้วก็ต้องรู้ว่านี่คือความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมรับสัตยอมยอมรับว่าสั่งเขาไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราฉลาดแล้วอาจจะมีวิธีกระตุ้นให้มีอะไรล่อใจเขาว่าเออทานี้เราจะได้เงินเพิ่มนีน่อันนี้ก็อาจจะทำ อือ mm hmm. ค่ะอาจารย์แล้วก็ mm hmm. วอย่างถ้ไม่ดูเหยียดแล้วต้องยอมรับความจริงว่าเราทําได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องก็ต้องต้องต้องหยุดอย่าไม่หวังอะไรจากเขาไปอืม mm hmm. แล้วก็อยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าแบบมันจะเหมือนแบบบางทีแล้วเขาจะบอกให้เราแบบขอคมากรรมเจ้ากรรมในวีนอะไรอย่างนะะี้ค่ะ เราไมเขอขอขอมาเฉพาะตอนที่เราไปทําอะไรให้คนหนึ่งเขาเสียหายแล้วเราสํานึกผิดแล้วก็ไปขอขมาเข้าเช่นไปทํำละทําทําให้คนหนึ่งเขาเสียหายเดือดร้อนแล้วเราเราก็ไปขอขมาเขาว่าขอภผยด้วยนะทําที่ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมายินดีรับใช้ค่าเสียหายอะไรต่างๆคือการขอขมาแบบ ต, ต้องไปขอขอมากับคนที่เรามีปัญหาด้วย ไม่ใช่มนานั่งจุดทุบทียแล้วนั่งขอเข้ามากับสารเจ้ามันไม่ใช่อ๋อแล้วที่เหมือนบางทีเขาบางคนเขาะจะบอกว่าเออเรามีเหมือนเราเคยทากรรมมาแล้วเราต้องขอ ข, อขอมากรรมแบบสมมติเจ้าสิบวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้คือไม่เฉพาะคนที่มีปัญหากับเราตอนนี้ตอนนี้เราทะเลาะกับใครมีปัญหากับใครถ้าเราคิดว่าเขาเราไปทําำลูกกันเข้ามาแล้วก็ไปขอเข้ามาเขาถามให้ก็ให้อภัยกับเรา แต่เขาจะให้อภัยหรือไม่เนือไปบังคับขาไม่ได้บางทีไปขออภัยแล้วเขาไม่เขาไม่ยอมให้อภัยก็ยังปวดยังเกลียดยังหาค่าพยาบาลเราก็เราก็ต้องทกใจอืมค่ะโอเคค่ะอาจารย์เราก็ขออีกหนึ่งคำถามค่ะก็คือเหมือนแบบหนูเคยได้ยินมาว่าแบบเออบางคนก็จะบอกว่าเราแบบชาตินี้เราบา ร, รมีไม่ถึงที่จะแบบไปนิพพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อธิษฐานเพื่อไปแบบ พบพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเหมือกับเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะอาจารย์ไม่ถูกหรอกเพราะว่าไม่มีบารมีแล้วก็ทําได้ตอนนี้ตอนนี้เรามีคนสอนให้ทําบารมีแล้วเราไมีเวลาที่จะสร้างบารมีได้เราก็สร้างบารมีตอนนี้ได้เลยเพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสร้างบารมีตามที่พระเจ้าสอนนี้ ภายในเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดเดือนนั้ 7, 7, 000, 7นเจ็ดปีก็ไปถึงนิพพานได้โอเคค่ะอาจารย์นนอั น, นั้นมันเป็ น, เ ป, นเป็นอุบายของจิเลสที่จะไม่ให้เราเป็นปฏิบัติตอนนี้ขอให้ไปเที่ยวดีกว่าไปกินดีกว่าแล้วก็ไปตั้งจิตละอิฐานขอไปเกิดเจอพระพุทธเจ้าคราวหน้าแล้วมันจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์การจะมาเกิดได้มันยากแสน ย, ยาก แล้โอกาสที่เราจะไปเกิดในจังหวะทงง mm. นนี่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ช่เป็น่องง่ายตอนนี้มีมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมีมีตัวแทนของพรุทธเจ้าอยู่แล้วทําไมไม่รีบไม่รีบตักลวงโอกาสอันนี้ตั้งแต่ตอนนี้นั่นเป็นเพราะว่าไม่อยากจะปฏิบัติกันอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดื่มไม่มากเสยเลยอ้างอางว้ยเราไเราบอนเรามีมากมีน้อยปฏิบัติไปก็ไปไม่ถึงนิพพานนี่ไม่มีอยู่ในคําสอนของพพุทธเจ้า พระมุขเาบอกว่าถ้าเธอปฏิบัติตามที่เราสอนเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้เธอสามารถที่จะไปนิพพานได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจดปีนี่คือคําสอนของพระเจ้าเรา mm hmm. ถ้าเราเป็นถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาลาเราก็ต้องฟังพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าไปฟังเสียงนอกเสียงกลางพวกไม่รู้เรื่องรู้ mm hmm. รามอืมคับอาจารย์ นแสดง ว, ว่าเรายัางศึกษาน้อยนหาเวลามาศึกษานะทษาธรรมะของพระพุทธเจ้าครับอาจารย์โอเคอนหนังสือของครูบาอาจารย์คือถ้าไปศึกษาจากพระไตรปิฎกมันมันกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปมันไม่รู้จะไปจับตรงไหนอ่านของธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านนําท่านย่อส่วนลงมาสอนในเรื่องที่เราควรจะควรจะปฏิบัติ หรือเนี่ยมาฟันทำอยอยู่เรื่อยครั้งหรือเข้ามาดูในเพจหรือในมีหนังสื่อของเราในในในเฟซบไซต์เข้าไปดาวน์โหลดมาอ า, าได้ค่ะแล้วอย่างพระอาจารย์เหมือนหนูอ่านที่ของพระอาจารย์เท่อะคะ่ะพระอาจารย์ก็จะเหมือนกับว่าถ้าถ้า บ, า บ, บวชเนี่ยคือเหมือนกับเป็นขึ้นทางด่วนใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่าอย่างบางคนเขาก็จะบอกว่าแบบเออถ้าเรายังเหมือนเรายังเหมือน ทำทางโลกไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบวชยากเลยเนี้ยค่ะนี่มันก็เป็นความเชื่อของกิเลสนะคะอาจารย์อ่าก็ต้องต้องไปลองดูเสีิถ้ามันทําได้ไม่ได้ยังไม่ทันลองอะไรเขาบอกไม่ได้นะเน <c oughs> ต้องไปพิสูจน์ดีว่าทําได้หรือไม่ได้คร <ทำ S 1> ับอาจารย์เนี่ยค่คขอบคุณค่ะอาจารย์ออ อย่างนีอ้อย่าเพิ่งไปตัดสินตัดสินตัวเราว่าโอ้ยเราทําไม่ได้เราไปนิพพานไม่ได้อย่างงี้มันก็จบหมดสลมันก็ไม่ต้องทำอะไรวะดังนั้นอันนี้เป็นอุบายของกิเลสยยมั้ยงไกิเลสมันจะพยายามจะตัดทางเราพยายามจะหลอกให้ไม่ให้เราไปนิพพานเนี่ยพอเวลาไปนิพพานกิเลมันตายไงกิเลมันดูข้ามหมดมันไม่ยอมให้เราข้ามันมันก็ต้องต่อชื่อเรา เราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาคอยสอนแล้วว่าอยา่าไปความดีเล่นนะดีเล่นมันหลอกเขานะความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่กิเล่นหรอกก็ดเูเถอคนที่คนที่พบพระพุทธเจ้าในบรรลุนิพพานกันยุ่ยยากไปหมดใช่ไหมแต่ก่อนก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่มีใครบรรลุนิพพานได้เลยรั้งคนเดียวเพราะไม่มีคนบอกทาง แต่พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นเกลื่อนไปเป็นเงินดอกเห็นืปพอมีคนสอนนั่นเองมีคนสอนมีคนบอกวิธีปฏิบัติครับอาจารย์เข้าใจแล้วนะเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปก็เราไปปฏิบัติโดยนะพุโทโธคาเดียวได้เม่ยากหรือไหนหยุดความคิดด้วยพุโทโธได้นะั้นต้องพุโทโธพุโทโธไปทั้งวัน มันที่ไม่ทํางานวันหยุดแทนที่เอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปเดินวันนี้จะมาขอปฏิบัติธรรมทั้งวันถ้าทํางี้เดี๋ยวก็ไปถึงนิพพานไม่นานหรอกไม่ทํากันนี่นี่ไปไม่ถึงเพราะไม่ทำไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีบาลมีการไม่ทํานี่ก็คือการไม่มีบาลก็คือการไม่กัความขี้เกียจเงี้ไม่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นบารมีสลับสนนอืง าาค่ะพระอาจารย์กระจ่างเลยค่ะโอเคนะค่ะขอบคุ ณ, ค, ณคุณปุ้ยคุณปุ้ยจะรักสงบได้ยินไหมคุณปุ้ยอยู่ไหนเลยปล่อยกล้าไมไหมนะตัวไม่มาเดี๋ยวข้ามไปก็เอามานะ้วอค่ะคุณดังหน่อยดิค่ะพระอาจารย์ทํางานอยู่ด้วยค่ะพระอาจารย์ออ ค่ะวันนี้โยมก็ไม่มีคำถามนะเพียงแต่ว่าโยมหัดเดินจงกรมเคยเคยเคยเรียนมาค่าแะแต่ทีนี้โยมอยากจะเข้าใจคำว่าวางจิตทำยังไงคะก็วางจิตอยู่ที่ใดที่หนึ่งขณะที่เดินที่เท้าก็ได้ให้ดูให้จิตดูดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปอ๋อแรียว่าโยมทำถูกแล้วออ ขวาเก้ายะเออซ้ายเก้าอ่าคำแบบแบบแบบอะไรอีกก็ยมงนอวางนอเก้านอะไรกะได้ือยาแบบแบบเีแบบไม่อะไรอีกก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยก็เออย้งก็จะปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ทุกวันเช้าเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบางวันก็ห้าสิบนาทีบางวันก็เลยชั่วโมงเ่รู้สึกดีรู้สึกเหมือนตัวหายไปเลยนะคะ ดีทำไปเรื่อยๆลังจากเดินแล้วก็ต้องกลับม า, มานั่งต่อนะนั่งอย่างนี้ได้จะได้สงบได้เต็มที่อะไรนะฮะไม่ได้ยินแจมแจมเวลาเดินเสร็จแล้วก็มั น, นมันนั่งสมาธิต่อสลับกันใช่ค่ะเออโยมจะถามคําถามหนึ่งคือว่าเออโยมอ่ะตอนเช้าเช้าเนี่ยป้องกันตัวเองคือว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วมันชอบจะเผลอหลับไปโยมก็เลยเออตื่นขึ้นมาเสร็จนั่งสมาธิเลยก่อน ไม่ได้สวดมนต์ได้ได้ได้รู้คือมาพร้นั่งเลยได้ดีไม่ต้องไปเสียเวลากับการกลับเพราะนั่นมันพิธีกลับหนึ่งการกลับที่แท้จริงมือการนั่งสมาธินี่นะเป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะว่าโยมตอนรู้สึกว่าไอ้ช่วงนี้มันอากาศมันเย็นลงแล้วทีนี้ถ้าโยมไม่ทํำอย่างเนี้ย คือยมจะเผลนหลับไปแล้วจะหลับไปยาวยมก็เลยเออทำอย่างนี้แ ล, ล้วทีนี้พอพอคณะั้นมาพิเศษยมลุกขึ้นมาเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิแล้วยมก็ไปใส่บาตรแล้วก็มันก็นั่งสมาธิต่อสวดมนต์และสมาธิ ด, ดีดีมากดีม<ข>ากใช่ได้ใช่ได้โอเคนะยมนีะขอพรน่ะพระอาจารย์นั่งไม่รวยนั่งไม่รวยนั่งไม่รวยถูกหวยทุกวัน สวยเมตตาบานไม่รู้เลยสาธุเมื่อวานนี้โยมถวายปัจจัยไปกับคุณลาเนืองวันเกิดรอาจารย์นะคะสาธุขอให้พระอาจารย์อายุมั่นขวัญยืนนะคะส่ธสาธุสาธุสาธุสาธะสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาสาทุาธุสาธุงาธุสาธุสาธุสาธุสาธุาธุสาธาธาธา ที่หนึ่งวอนเตอร์อ๋อมานี่ต้องถูกกักตัวคืนนึงมั้ง่าใช่ใช่ครับกักตัวรอผลนะครับผู้การครับเรารอผลเขาก็ปล่อยแล้วก็6วันเขาจะให้ตรวจเอเส่งให้เขาอีกรอบหนึ่งนรัระู้การโอเคดีแต่ถ้าไม่มีก็คงยังไม่มีได้นะไม่มีอาการเชย่ามสายเกี่ยวนั้น ผมผมขี่ไปสี่เข็มนะครับเป็นรย์คไปเชอร์ไพรสองเข็มใช่ครับไปเซอร์ไพรส์สองเข็มที่ต้งแบวนไปุณาครับอาจารย์ครับเราก็เลยเวลาจะไปยุโรปไปเลยในอนาคตจะได้ไม่มีปัญหากับอาจารย์ครับก็ก็ก็อยากจะรายงานอาจารย์ครับว่าสิ่งที่สิ่งที่ฟังจากอาจารย์ไปแล้วก็นําไปปฏิบัติก็มันได้ผลคือ กับกับภรรยาเวลาผมไปไปที่เมกาแต่ก่อนเนี่ยก็จะคือคือภรรยาผมเขาไม่เคยทําธุรกิทธิ์แล้วก็เขาบริหารร้านแล้วมันก็ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยครับก็ก็ยื้อกันทุกๆปีเวลาผมไปก็จะเหนื่อยกันตลอดก็ผมฟังจากพระอาจารย์ว่า hey, ให้ให้คิดว่าเขาเหมือนลูกอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเวิร์กมากเลยครับแล้วแล้วเราก็เราก็ เราก็ใจสบายๆแล้วก็คิดว่าเขาเป็นลูกเราก็ให้อภัยอะไรเงี้ยครับ ก, ก็ผลก็คือเขาก็ฟังเราเปลี่ยนจากแต่ก่อนนะครับใจเราก็สบายเขาก็สบายนะครับก็ใช่เราไม่กดดันเขาครับครับครับก็ก็เขาก็เขาก็ทาตามมันมันมันผิดจากแต่ก่อนหกปีเจ็ดปีที่ผ่านมาไปทุกครั้งก็จะเครียดกันทุกครั้งเนี่ยครับอาจารย์ครับ แล้วก็คอยไปสั่นไปสอนไ่กดดันเขาเข า, เขาก็เวลาเขาก็รับการใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เจี๋ยวนี้ไปก็ได้ให้ให้เขาปฏิบัติทำด้วยเนี้ยครับเขาก็เขาก็ฟังแล้วก็ทำด้วยเนี้ยครับก็ดีมากเลยครับแต่สิ่งที่สิ่งที่ไปมาสี่สบวันครัอาจารย์ก็รู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วมากครับ พ็ฟังฟังธรรมะจากท่านอาจารย์แล้วรู้สึกมันใจมันหายว่าโหวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งแล้วจะคิดว่าชาติหนึ่งเนี่ยมันมันน่าจะผ่านไปเร็วมากครับเรามองมอ ง, มองดูนาฬิกาแล้วแบบเห็นนาฬิกาเห็นวินาทีเนี่ยมันเดินตลอดเดินตลอดเนี่ยครับรู้สึกว่าแบบมันมั น, ม น, ว, นวันเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยครับอาจารย์ครับผม พระพุทาถามตัวเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากาลังทําอะไรอยู่ครับกาลังปฏิบัติธรรมหรือเปล่าถามตัวเองครับแล้วก็มีหนึ่งข้อครับอาารครับก็คือแต่ก่อนผมวางจิตไว้ที่หน้ผาผากครับอารย์ครับแล้วก็มันก็มันก็สงบดีครับก็ก็ดีแต่ว่ามีเพลิน ม, ม, ม, มีมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งแกบอกว่า แต่ทําไปนานๆแล้วมันปวดหัวอย่างนี้ยครับอาจารย์แล้วก็ผมก็ลองย้ายมาตรงตรงลิ้นปี๋นะครับอาจารย์ครับบอกเพราะว่าบางครั้งพอจิตมันสงบแล้วมันมันเหมือนมันที่หน้าผากมันก็หายไปแล้วมันมาอยู่ที่ลิ้นปี่ผมก็เลยจะลองย้ายมาดูปรากฏว่าพอาย้ายมาแล้วมันนั่งได้ไม่นานเหมือนแต่ก่อนนะครับ อย่างเนี้ยแสดงว่าเราต้องกลับไปที่หน้าผากเดิมกระเป๋าประจักษ์แต่ไม่ลองที่จมูกกันดูดูลมเลยเขาจะชาสอนให้ดูลมอ๋อครับครับดูลมนีกว่ะดูลมนี่แลเป็นครับ เ, เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงที่ถูกต้องอืมครับคับอยู่ที่อยู่ที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่ามันเข้าให้รู้ว่ามันออก แ ล, แล้วแล้วต้องพูดโทรด้วยไหมครับพี่ต่ายพูดจะพูดโทรก็ได้ไม่พูดโทรก็ได้แล้วแต่โรเคโอเคครับครับครับครับพี่ตายลองทำดูมาลองทํดน่าจะดีกว่าครับครับครับผมกับกลับกลับขอบคุณครับหมดคำถามแล้วครับนี้อยู่กอมอลหรืออยู่อยู่ร้านตําแหน่งครับคอสมอลร้านตําแหน่คันที่ท่านต่อไปคุณสซรินทานอย่ากซิลเว่า์สปริงแมริแน ทำนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ยอมฟังแล้วยอมรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักเรียนไทยห้องนะคะอาจารย์ก็ถ้าอาจารย์พระอาจารย์ท่านสอนยมก็คงจะเกือบจะสอบตกแล้วไม่ตออกอ <laughs> เพราะว่าปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติเราก็ห่วงปฏิบัติแต่พอปฏิบัติแล้วเราก็จิตเราก็ยังฟุ้งซ่านยังคง คอยคิดว่าอุ๊ยลูกยังไม่ได้ทํากานบ้านอุ้ยลูกยังไม่ได้เข้านอนคิดต่างๆนานๆไปกําหนดกฎเกณฑ์เขาว่าโอุ้ยทําไมก็คงเหมือนท่านก่อนหน้านี้ค่ะที่ว่ามันไม่ได้ดังใจแล้วเราบางทีเราก็ต้องอความอยากของเราเองทําให้เป็นทุกข์แล้วเราก็นั่งปฏิบัติไปแล้วเราก็มันก็แทรกขึ้นมาว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะลูกยังไม่ได้เข้านอนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <S <S <S <S ก็พอ ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็หัวเราะก็บอกว่านั่นไงมานมาแล้วม า, มาแล้วมานมาให้เรากําหนดเราควรจะดีใจที่มานมาเราจะได้กําหนดแล้วเราก็จะได้ใช้ธรรมะในการปฏิบัตินะกันนี้ยงก็เลยพอเห็นรูปปุ๊บก็ออกมานมาแลานมาแล้วเราก็เราก็ใช้ธรรมะในการปฏิบัติแล้วมันก็ก็ดีขึ้นนิดนึงครับอาจารย์ก็ปรนะมาณครค่ะดี พยายามปล่อยวางเขาอย่าไปอย่าไปอะไรกับเขามากด่หน้าที่บอกสอนก็บอกไปแล้วปล่อยเขาทําไปไม่ต้องไปจําที่จำใช่ค่ะค่ะก็วันนี้โยมก็ไม่มีคําถามอะค่ะก็ยังคงปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่ค่ะก็ติดตามไปเรื่อยๆทําเท่าที่ทําได้เพราะตอนนี้เรามันมีภาระติดอย่างอางื่นต้องทำก็อย่าไปอยากเกินกําลังแล้วมันจะทําให้เราทุกได้ะ ทำตามกำลัไปก่อนนะครับรอรอโอกาสที่แล้วว่างจากภารกิจอย่างหนึ่ง เ, เราจะได้กระทำมากขึ้นต่อค่ะพระอาจารย์โยมก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่เขาจะโตกว่านี้รู้เรื่องกว่านี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติได้มากกว่านี้นะคะ่ะเดี๋ยวถึงเวลาก็ทําได้เขาก็โตขึ้นไปตามเวลาค่ะมันเป็นที่ใจหลักเ อ, อเราไปยกยึดมั่นกับเขาเองเราไปวุออ่นวายเองอืม เขาก็เหมือนเหมือนต้นไม้เขาก็ต้องใช้เวลาจเจริญเติบโตขเข้าไปอาจจะไม่รีบไปเร่งเขาก็ไม่ได้ค่ะค่ะค่ะยมก็ต้องปรับใจตัวเองแล้วก็พอพอรู้ตัวว่าตัวเองอไม่ไหวละตัวเองแย่และทําไมฟังธรรมะก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติแต่ยังสอบตกแล้วตกอีกไม่ไม่ได้ความเลยแย่จริงๆต้องเอาไหมใช่เพราะว่าเราปฏิบัติตอนที่เราปฏิบัติเราอยู่คนเดียว มันมันเราไปอยู่กับโลกนี่เราไม่ได้ปฏิบัตินะวิเลย์ออกมานะเต็มเลยค่ะพลังยาถึงดาวออมาหมดนะถ้าเร า, ถ, า, เราถ้าเราทําเหมือนตอนที่เราปฏิบัติมันก็ไม่เกินหนาะแล้วก็เฉยๆเป็นศัต่ว่ารูกไปลูกเขาเป็นอย่างงี้จะทํายังไงใช่ใช่ค่ะพอโยงเริ่มคิดว่าพอเริ่มเห็นว่าเออจริงนะทําไมเราไม่ทําไมเราถึงเป็นวุ่นวายกับชีวิตลูกทําไมเราไม่ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็ เราก็ต้องปล่อยวางให้ได้แลต่อันนี้มันจะเข้ามาหาเรามากขึ้นอย่างคุณโยมที่เขาไล่าเพราะแล้วมันเป็นจู้จี้จุกจี้เข้ามากเขาว่าเข้ามาหาเราอยู่รออยู่กันว่าจะรอจังหวะนั้นอยู่ที่เขาเข้ามาไม่ได้เพราะเราเป็นคอยเราเข้ามาตัดซ้อนเลยตสั่งไว้เพราะเขาไม่อยากจะเข้ามาพื้นฐานทำได้ไหมยังทำไม่ไั้ยังอย่าไม่ยุ่งกับเขามาค่ะ แล้วยมก็จะได้กลับมาใช้เวลาปฏิบัติดีกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคอยดูแลเขาแล้วเขาโอเคะ<ด>ละเราก็ปฏิบัติต่อเขาทําอะไรของเขาได้ในระดับหนึ่งอันไหนที่เขาทาไม่ถูกเขาบอกเขาไปท้านี้ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์เนี๋ยวคุณเจมส์คุณจะเข้ามาตอนนี้คุณอย่าพุ่ง<ะ>มากเอาจะยินเสียงคุณแล้วเดี๋ยวเขาเข้ามานะค่ะขอบคุณมากได้จึงเบาสุขโขทัยอจรย์ การมาสักการพระอาจารย์แล้วค่ะงานใหม่วันนี้มีอะไรไหมก็ยงช่วงนี้ยงปฏิบัติมากขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็จิตมันตื่นแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือว่ามันไม่ค่อยง่วงนอนเลยแล้วค่ะยงก็จะรู้จะดูไปเรื่อยๆว่ามันจะไอ้จิตผู้รู้ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมันดับตามจิต ที่มันไปรู้ไหมเจ้าค่ะยมสังเกตดูยมว่ามันมันดับยมว่ามันรู้อยู่ตลอดไอ้ที่ทําให้ม่รู้ว่าคือตัวสติบางมันไม่มีสติมันก็เลยไม่รู้แต่ยมรู้ไม่ดับหรออ๋อเจ้าค่ะบางทีไม่มีสติมันก็หลับไปเลยมันเลยไม่รู้เจ้าค่ะโยมตอนแรกโยมเอ๊ยยมดูมันคือมันเกิดดับเร็วมากแบบ ตอนแรกโยวมว่าเอ๊ะโ ย, ยมจะจิตผู้รู้มันจะยังไงเนี่ยมันจะดับไปอะไรที่เกิดับไม่ใช่ตัวจิตอตัวที่เกิดกดับก็ ค, คือตัวรูปเสียงก ล, ลิก่นรสอารมณ์เจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็คือวิญญาณที่มันไปไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะหูจมูก ล, ล, ลิ้นกายอะไรแบบนนะคะเต่อายัตนนโยมพูดไม่ถูกเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามา แล้วก็รับมา <Okay. S 1> ลงก็มาแล้วกเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <Okay. S 1> แต่เรารู้มันก็รู้รรอยู่ประมันอย่างนั้นนะถ้าไม่มี <Okay. S 1> รู้ก็จะไม่รู้ว่ามีรูปเสียงดินร้อยเข้ามาแล <Okay. S 1> ้วก็หลับแสดงว่าหลับไม่มีสติเจ้าค <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ่ะโยมก็เอ๊ะดูดูเอ้นี่แหละเอ๊ยตัวที่จิตผู้รูนะ้เนี่ยคือคือโยมช่วงก่อนโยมอ่านนู่นที่นั่นแล้วก็มีครูบาอาจารย์บางบางรูปท่านบอกว่า ถ้าพบจิตผู้รู้ให้ให้ให้อะไรนะให้จํากัดเอ๊ะให้จํากัดกําจัดกําจัดจิตผู้รู้อยา่างนี้ยต้าค่ะโยมันจะมันจะทิ้งไม่ไปจำกัดกำจัดแล้วไม่ได้แล้วผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อย่างนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะให้กําจัดกิเลสการปฏิบัติเให้กำจัดกิเลสเลจ้าค่ะทำเอาความโลภกดลงขึ้วยไม้กำจัดมันแต่ตัว เราเรื่นี้มันไม่ต้องไปกําจัดมันกําจัดมันไม่ได้มันท้องฟ้าเนี่ยไปกําจัดท้องฟ้าได้มั้ยพอเห็นท้องฟ้าแล้วไปกําจัดมันเน่ให้มันหายไปเจ้าค่ะไม่ได้เจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะเอเจ้หรือว่าถ้าเห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันไม่เท่รู้มันเกิดแล้วก็ดับหรือว่าเราไปควบคุมบัับมันไม่ได้ปล่อยนไปตามสภาไม่ต้องไปยุ่งออกมาเสิร้าค่ะเ้าค่ะ ตอนนี้ไม่ค่อยโยมจิตโยมไม่ค่อยฟุ้งเจ้าค่ะพระอาจารย์พอมาทําสมาถะเยอะขึ้นก็ไม่ไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่เจ้าค่ะก็เห็นก็คือเราก็อยู่เห็นไปเรื่อยอย่างเนี้เจ้าค่ะถูกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เน้อ่ะจ<า>ักแต่ว่าลูกค่ะวางจนสามีบอกว่าสามีบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่รักลูกไม่รักสามีแล้วนะเขาพูดอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็ขำๆไปคือโยมก็แสดง ก็ต้องางเขาเขาพูดไงก็ต้องวางาปยต้องพูด <laughs> ยอ <ง S 2> <ป>หัวละแบบว่าคือคือมันไม่เหมือนเดิมจริงๆคือว่าพอปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติทรมัมนก็ไม่ได้ทุกว่าเขาไปอะไรนู่นนี่นั่นคือเจ็บป่วยแล้วก็ดูตามสภาพไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนตะกอนเขาก็คงแบบคเดเ๋ยาค่ะ ยงหนีเท่านี้แล้วค่ะพระอาจารย์โอเคนะพยายามปฏิบัติไปล่อยวางนะอย่าปะหะจ้าค่ะคคุณภาศักดิค่ะคุณภาศอยู่ที่ไหนธรมารค่ะะอาจารย์อยู่หัดใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะมีคำถามหนึ่งพอดีเมื่อวานคุยกับคุณมินเมื่อกี้ค่ะเพื่อนที่แนะนำให้มาคุยกับพระอาจารย์ที่นี้เขาก็บอกว่า คือไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงคือเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาไหมอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจไ ว, ว้ว่าเคยชาตินี้เขาก็จะปฏิบัติให้ได้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเราก็เชื่อและปลูกฝังมาตลอดว่าสูงสุดคือนิพพานคือจบไม่ต้องมาเกิดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็สนใจในการปฏิบตัติแต่ว่าพอมาถามใจตัวเองเลยค่ะพระอาจารย์มันมันยังมีแบบ5้าเปอร์เซ็นที่มันยังเครือบแคงว่าเอ๊ะแล้ว ถ้าจริงๆแล้วมันตายไปแล้วแล้วมันก็จบมันไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันมจะมันมีมันมีความสุขความสุขมหาสุขอยู่ในใจเราสุขยิ่งกว่าการมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดนินอ๋อไม่ขายภระอาจารย์เหมือนแบบในใจอ่ะยังยังยังเครือบแคลงสงสัยว่าการไม่เกิดแล้วมันจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้เราจะกําจัดความเครือบแคลงนี้ออกอยังไงเนีคะก็ เราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นของจริงเราก็ต้องฟังเชื่อฟังหูว่ายหูก่อนคือไม่ต้องเชื่อแต่ไม่ต้องปฏิเสธให้ไปพิสูจน์ด้วยเองคือถ้าเราลองปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเปิดอ่ามันจะเข้าใจามากขึ้นเห็นมากขึ้นเองเหมือเหมือนกับคนก็บอกว่าอาหารจานนี้อร่อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอร่อยจริงไม่จริงใชนะ่ไหมเพียงแต่เขาพูด เราก็ต้องไปลองกินดื่มลองไปชิมดื่มชิมอะไก็รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะอร่อยก็จะกินหมดทั้งจานเลยนี่ไมด่ดีสั่งมาเพิ่มเองก็มีคําถามท่านนี้ค่ะนะงั้นตอนนี้ขอให้เราชิมชิมธรรมะดื่ด้วยการปฏิบัติเ ด, ดี๋ยนวะลองปฏิบัติเ ด, ดี๋ยเราสัมผัสกับรดนแห่งธรรมแล้วพระพุทธเจ้าบอกรดแนแห่งธรรมเท่าน้นทั้งปวเดจยเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้ อันนี้เรายัางไม่ได้ชิมแล้วก็ยังสงสัยสงสัยประมาณนี้พานเป็นยังไงดีจริงหรือไม่ดีจริงนิพานศูนย์ศูนย์ยังไงเดี๋ยวเราคําถามอันนี้มันต้องต้องต้องเกิดจากการปฏิบัติคําตอบอยู่ที่การปฏิบัติขอให้มันเราพยายามปฏิบัติไปก็แล้วกัน<ะ>อันนี้ยังไม่เราไปถึงนิพานนะขอให้ ขอให้ละอะไร ล, ละอะไรที่เรากําลังติดอยู่ตอนเนี้ยละโซเชียลได้หรือเปล่าละไม่ต้องเข้าไปเฟซให้ไปดูว่าเขาด่าเราหรือเขาชมเราหรือเปล่าได้หรือเปล่าอันนา้ก็มาเราจะสบายขึ้นเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่ไปติดตามเฟซบุ๊กได้สบายขึ้นเยอะติดตามเฟซบุ๊กแล้ใจก็กำกวันน้อย ค, คนน้อยเข้าว่ายน้อยคนน้อยเข้าว่ยาย ได้ค่ะอาจารย์น้เองไปปฏิบัติดูทำใจให้สงบดูดีกว่า <นะ S 2> ดีกว่าดูเฟซทีไม่ไราบบางดูแล้ว่าเกิดอารมณ์ต่ า, ตางต่างขึ้นมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะได้สัมผัสกับรูปแห่งธรรมนะนนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์โอเคนะคเอาท่านนี้ก่อนนะค่ะ บ, บ, บนสุภาสิรอ่นสุภาษิต่ะ กับารนมศ ก, การค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนกับอยู่อุตรดิตค่ะท่านที่มีโอกาสไปกลาบท่านว่าเมื่อวันเสรนาร์ที่ผ่านมานนใช่ค่ะจำไม่ได้ใช่น่ากาค่ะไม่เคยเข้าซูมาเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เข้าซูมาค่ะ <c oughs> ปกติจะติดตามอ่านคำสอนของพระอาจารย์ทางเฟ e บุ๊กแล้วก็ตัวของลูกเองก็จะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณเจดปีแล้วค่ะคือเริ่มต้นด้วยการาได้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์วิลยังซิลินทะโลนะคะแล้วก็เลยได้ ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามคำสอนของของหลวงพ่อวิลัยหางนะคะแต่ว่าในแต่ละวันก็จะใช้วิธีเมื่อตอนเริ่มต้นการปฏิบัติะคะ่ะจะใช้วิธีเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งอีกครึ่งชั่วโมงทุกๆ ว, วันคือเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาฟังค่ะยังมีอะไรถา ม, มถามวันนี้วันนี้ยังไม่ขอถามนะคะคกับ ขอฝากตัวเป็นสิทด้วยค่ะโอเคได้ขอไปด้วยนะเพราะว่าคนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบพรคตอนนี้เราเป้าหมายคือการถามตอบคําถามเป็นหลักอ๋อค่ะเข้าใจค่ะขอาจากท่าจะเล่าเพื่อประกอบคําถามไม่ได้ค่ะถ้าถ้าดีเชยก็ขอขอไว้ก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะขอบก็ยังไม่มีคําถามค่ะก็ฝากไว้ด้วยก่อนไว้โอกาสหน้ามีโอกาสจะถามค่ะ ได้เชิญสาธุค่ะที่คุณสุภัสตาจากดัลลัสเท็กับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมมีคำถามของคุณพ่อไหมวันนี้มีคำถามเหมือนเดิมเจ้าค่ะฝากถามมาก่อนเข้าเข้าซูมลูกจะต้องโทรไปถามคุณพ่อวันนี้มีอะไรไมอะไรเจ้าค่ะแล้วก็ติดตามฟังอยู่ว่าแบบเลือไม่ได้ฟังก็ ลูกลูกจะส่งลิงก์ไปให้คุณพ่อดูย้อนหลังแล้วก็นะคะแล้วก็ฟังคําตอบจากพระอาจารย์เจ้าค่ะมีนะคะวันนี้คุณพ่อมีคําถามหัวข้ออ่าถ้าแบ่งเป็นก็เป็นสองหัวข้อก็คือเรื่องเรื่องของอการอุทิศบุญกุศลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการแผนเน่เมตตาเจ้าค่ะทีนี้คําถามเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศบุญกุศลเนี่ยคุณพ่อสงสัยว่า เอ่ อ, อย่างอุทิศบุญกุศลไปให้กับคุณพ่อองเขาที่เสียไปแล้วเนี่ยจะจะรู้ได้ยังไงว่าท่านได้รับแล้วเพราะว่าท่านเสียไปห ล, ลายหลายหลายห ล, ล, ลายสิบ ป, ปีนะเจ้าค่ะก็ความจริงคงยังไม่รู้อะเพราะว่าเราไม่มียานอย่างท่าบเหมาอืามาอนพระพุทธเจ้าแต่แเราทําเผื่อไว้เผื่อท่านมานอนรับส่วนบุญก็ก็ก็ท่านก็กนจะได้รับไป แต่ถ้าท่านไม้ทำมาเรารับส่วนบุญบุญนี้ก็กลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมของคนของคนทำอยู่ว่าคนทำตอบเลยคนทำก็ได้บุญมากกว่าคนรับเป็นด่ามดีต้องมันใช้อุบายให้คิดถึงคนตายจะได้จะไ ด, จะได้ทําบุญนั้นปกติแล้วจะไม่ชอบทําบุญเองเอะไรต้องเราให้มีคนตายมาเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้ทําบุญเพราะบุญที่เราทํานี้บุญที่เราแบ่งให้คนตายนี่เสี้ยวเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรนั่นตรงนี้ ส่วนบุญในเก้าถึเก้าเอร์เซ็นนี่อยู่อยู่กับเราแล้วค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณพ่อของคุณพ่อเขาไปเกิดแล้ ว, ลวเนี่ยก็ก็ไม่มารับบุญแล้วเขาไปหาหากินอของเขาเองได้บุญนี้เป็นอาหารเป็นอาหารทิพย์เนี่ยสําหรับเวลาใจที่ไม่มีร่างกายพอใจมีร่างกายแล้วใจก็ไปหาอาหารกินเองได้ออื แล้วแล้วดวงวิญญาณกลุ่มประเภทไหนเจ้าค่ะที่จะได้รับบุญจากการอุทิศนะคะก็วพวกที่เป็นขอทานพวกที่ไม่มีบุญตายไปแล้วไม่มีบุญติดตัวไปมไม่มีอาหารก็เลยต้องมาเป็นขอทานพวกนี้เราเรียกว่าเปรตเนี่ยอือย่างวิญญาณที่แบบไปตกนรกอย่างนี้ก็ติดเขาก็ออกมาไม่ได้อืวิญญาณที่เป็นอาสุรแล้วตายก็มีแต่ความหวาดเสียวหวาดกลัว ไม่มีกระจีกระจายที่จะมามามา ม, มาขอบุญจากใคร อ, อเทวดาก็มาเทวดาก็มีเศษเทวดาก็เป็นเศษทีบุญืงก็มีบุรของ ม, มีมีบุญติดตัวไปก็ไม่ต้องไปขอใครเหมือนคุณสุภัตราวลาเดินทางไปต่างประเทศถ้าคุณมีเงินติดตัวไปคุณก็ไม่ทำอะไปขอเป็นขอทานแต่ถ้าต้องถูกออกพยพไปแบบกระตันหามไม่มีงินติดตัวไปทําไงต้องมาอยู่ตามฝูงออกพยกพใช่ไห ต้องไปขอทานเะค่ะใลักษณะของบุญเป็นนี้เจ้ค่ะทีนี้อีกอีกส่วนหนึ่งของอุทิศเนี่ยคือคือท่านสงสัยว่าคุณพ่อสงสัยว่าแล้วดวงวิญญาณอย่างสมมติว่าเราเราอุทิศไปแต่เราไม่ได้ระบุชื่อเจาะจงนะเจ้าค่ะก็คืออย่างเจ้งกรรมนาเวนทั่วไปก็ทำตัวไปนะนแต่ใครมาฝอดมาหลังใครใครมาขวาก็เอาไปก่อนอืมอืมก็คือใครใครใคร ได้ใครมาก่อนก็ก็ได้บุญตรงนั้นไปแล้วแต่ไ้ก็แย่งกันแย่งกันไปทีนี้อย่างอย่างลูกฟังพระอาจารย์บอกว่าบุญจากการทำทานแต่ว่าบุญจากการรักษาศีลกับสมาธิเนี่ยไม่ไม่ต้องอุทิศเพราะว่าเรายังเรายังไม่มีความสยังไม่ได้ผลใช่ไหมคะก็คือต้องเป็นบุญจากการทำทานบุญการทำทานในฟ้าฟุ้ง แต่ดนจากจากศีนี่เป็นเหมือนก็ต้องไปปลูกข้าวก่อนแล้วน้อยข้าวให้ข้าวออกรวมก่อนแล้วมาทํากับข้าวมาปูกข้าวอีกทีนึงขั้นตอนมันยาวกว่ามันนานกว่าออเพราะศีแล้วาทีมันรักษาปั๊บมันไม่ได้ปุ๊บฉะนั้นางทีรักษาได้วันเดียวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้รักษาแล้วเจ้ค่ะเจ้าค่ะยิ่งยิ่งสมาธินี่เอยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่งมาเป็นสมาธิเป็นทียังไม่สงบที เปนตียังไม่เห็นผลเลยข <laughs> ้าเจ้าอะไรไปวุฒิท่อานอ่างนี้เ้าค่ะเห็นชาร์จบุญจากสมาธินี่เห็นชาร์มจมากเจ้าค่ะนั่งไปยังฟุ้งซ่านอยู่เลยแล้วจะเอาอะไรไปให้เขาได้ใช่ไหม <laughs> เจ้าค่ะยังยไม่มีสุกเลยสุกเรายังไม่ได้เลยเจ้าค่ะต้องอาศัต้องฝึกอีกเยอะเลยเจา้าค่ะทีนี้เรื่องของส่วนอ่ของแผนเนตตาเจา้าค่ะต้องถามว่า ทีนี้แผ่ท่านเวลาเขาสวดมนต์พ่อสวดมนต์สวดมนต์ก็จะมีการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วเนี่ยเขาสงสัยว่าดวงวิญญาณเนี่ยจะได้รับที่เขาแผ่เมตตาไปได้ยังไงอะเจ้าคะเขาไม่เข้า ใ, ใจการแผ่เมตตานี้เป็นการฝึกซ้อมวิธีแผ่เมตตาเวลาที่เราไปเจอคนเนือสัตว์เข้าใจไหมที่เราสวดนี่มันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา เป็นการสอนใจให้รู้ว่าการแผ่เมตตานี้มีลักษณะหไหนบ้างเช่นหนึ่งไม่จองเวรกันให้อภัยกันนี่ว่าสองไม่เบียดเบียนกันสไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจกันสี่ให้ความสุขต่อกันนี่คือวิธีแผ่เมตตาอย่าต้องแผ่ตอนที่มีคนรักสิไม่ยอมมานั่งแผ่คนอยู่คนเดียวนั่งสวดอยู่คนเดียวไม่ได้แผต้องไปแผ่เวลาเจอคน อย่าคนปั๊เขาพูดอะไรไม่ดีเราจะโกรธเขาเหรอไม่เป็นไรให้อภัยเขานี่เรียกว่าแผนเมตตาไม่ไปมีเรื่องหรอกจ้าเจ้าค่ะอาจาเจนเจ้าค่ะทีนี้ลูกขอส่วนของลูกเลยเจ้าค่ะคือถ้าจานคือลูกอยากได้พระอาจารย์ช่วยแนะนําเทคนิคให้หน่อยแล้วกันคืออย่างจาย์ถึงสุกอย่างเงี้ยลูกจะ จัดตารางเวลาไว้เลยว่าตอนไหนนั่งสมาธิตอนไหนเดินจงกรมตอนไหนฟังเทศเป็นแบบคือเหมือนเข้าโรงเรียนะ่ะเจ้าค่ะจาย์ถึงสุกนี่คือเวลาแบบทํางานทีนี้พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือเหมือนกับเป็นวันที่ให้เวลากับครอบครัวเจ้าค่ะแต่พอแบบพอมาเริ่มวันจันทร์แล้วเนี่ยเหมือนเครื่องมันเครื่องมันไม่ติดอะเจ้าค่ะมันแบบมันก็เลยรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอให้เวลากับครอบครัวแล้วเนี่ยมัน อย่างเช่นดูหนังหรือดูอะไรไปอย่างเงี้ยมันมันเห็นโทษของการมาสูบอะเจ้าคะ่ะจะมีเทคนิคยังไงที่จะให้ลูกสามารถที่จะต่อจากวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ปฏิบัติได้อย่างแบบเครื่องเดินอ่ะเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อมันไม่ได้ เ, เพราะเราหยุดเครื่องแล้วก็ต้องมาสตาร์ทใหมแแให่แล้วถ้าถ้าอยาให้ขึ้นเดินเราก็ต้องแบ่งเวลาไว้สิเอาเวลาเน้เวล า, า entertainment แค่ e n อ e r t a i n m e n t ไป แล้วพอเวลาไม่เอนเทิงเราก็มาปฏิบัติต่ออก็กเสาร์อาทิตย์ก็ควรควรจะนั่งยังจะมีเวลานั่งบ้างใช่ไหมเจ้าคะถึงถึงจะไม่เยอะแบบเหมือนที่นั่งกันถึงสุกสามสี่ชั่วโมงก็อย่างน้อยตักงสามสิบนาทีก็คือยังต้องนั่งใช่ไหมเจ้าคะเหม่อเหมือนรอย่างจะไปดับเครื่องนะแต่ดับเครื่องมันจะต้องใช้เวลาสตาร์ถ้ามันมันปล่อยให้เครื่องมันวิ่งอยู่เนี่ยถึงเวลาก็ไปได้ต่อได้ ก็ค่ะก็คือยังต้องต้องมีบ้างไม่มันรู้เลยวันจันทร์นี่จะลําบากมากกว่าเครื่องจะติดก็ล่อไปอังคารพุธพออังคารพุธก็จะหยุดก็จะถึงวันศุกร์แล้วก็ไม่ก้าวหน้าดูแล้เราไม่ต้องเเยแยแยทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แล้วก็มีแบ่เวลามาปฏิบัติได้นี่ใช่เจ้าค่ะแต่วันี้มันเหมือนขี้เกียจเองนั่นหลนั่นแหละงั้นเราต้องมาอธิการ ตั้งกำหนดเวลาไว้เสร็จทำตารางไว้เวลานี้เอนเตท์เวลานี้มาปฏิบัติอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเห็นโทษเลยพอดูหนังแค่เรื่องเดียวนี่มันติดอยู่ในหัวไปจนเป็นนิสเวลาดูนอนนนั่งดูกับเขานอนนอนหลับตาแล้วเราพูดตัวเราไปอ๋อแล้วแล้ว <c oughs> ก็คือให้กายอยู่ให<ๆ>้กายอยู่เข้าแต่ใจเราไม่ต้องไปอยู่กับเขา ใจเราก็อยู่กับผู้โทรของเราไปเจ้าค่ะจะพยายามดันตัวเองไม่ให้ขี้เกียจ ด, ด้วยเจ้าค่ะจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าพอสาวท์ทิตย์อะไรเหมือนกับปิดเครื่องปิดสวิตซ์แล้วก็ขี้เกียจเจ้าค่ะไม่ดีแ ล, แล้วค่ะกิเลสมันพอมีช่องปับมันฟาบั๊บสันทีเลยเออค่ะปรับไม่ได้เลยรู้สึกว่า พระอาจารย์ก็เจ็ดสิบสี่แล้วลูกรู้สึกว่าลูกต้องรีบอ่ารีบมากนะพระมุทราชเจ้าแปดสิบถ้าเราเร<ล>ียนยุทธธรรมมาเจ้าถูกใช่ยี่กปีแล้ลูกยังบอกสามีลูกอยู่เลยเจ้าค่ะว่าเนี่ยพระอาจารย์เจ็ดสบสี่แล้วไม่งั้นลูกแย่แน่แน่ลูกต้องรีบสุดๆแล้วเจ้าค่ะต้องรีบเจ้าค่ะเพียรมากค่อย <ๆ S 1> าถามตัวเองเยอะเลยวันเวลาผ่านไปผ่านไปแล้วกำลังทำอะไรอยเช็คอยู่ได้เรื่อยเชสถานภาพของเรา กำลังทําอะไรอยู่กําลังดู youtube เหรอกําลังเี่ยังกำดื่อนว่าสวทิ่นี่ใจเลยทั้สาวทิ่นี่โดนใจอย่างนี้เลยสั้ค่ะจริงๆแล้วค่ะเห็นพระอาจารย์ที่ไรแล้วตอบลูกนึกถึงความเพียรความอดทนความวินัยทุกอย่ายแล้วค่ะเป็นกําลังใจจริงๆแล้วค่ะเป็นกําลังใจลูกจะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดได้เท่าไหร่เท่านั้นคนมีครอบครัวก็มีคำอย่างเงี้ยมีมีวิบาก มีพันธะกรณีทำให้ไม่สะดบกต่อ ก, การปฏิบัติค่ะดีที่ยังไม่มีลูกมีแค่สามีก็กราลงเราเราราคุยกัเขาเดูด้ไหพี่แบ่งเวลาได้ไหว่าเอาเวลาไหนหจะเทนเวลาไหนยังขอขอแบ่งไว้ปฏิบัติได้ไม เด้ค่ะเด้อค่ะเขาโอเคค่ะเขาเขาเข้าใจทางนี้จริงๆค่ะเขาเข้าใจมากๆเขาส่งเสริมอยากให้ลูกได้สําเร็จเด้อค่ะลูกเอยังหาที่เป็นคนขี้เกียจพอเสาร์อาทิตย์ไรอยากอินเตอร์เทนตัวเองรู้สึกเหนือเนือยจัถึงสูงเป็นความอยากของเรามากกว่าอ้างต้ออ้างเขาเป็นเหตุเด้เจ้าค่ะความผิดลูกเองเจ้าค่ะลูกจะสํานึกไว้เสมอเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ก็อายุมากขึ้นวมากขึ้นเราก็มากขึ้นมากขึ้นเราต้องรีบเตือนรีบเพียนเหมือนพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากให้ พระอาจารย์ได้ได้ชื่นใจกับลูกศิษย์คนนี้ว่าจะพยายามเต็มที่ได้เท่าไหนทุนนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณชาสาธุนะค่ะคนมาลีจ่าคณมาีอันนี้อยู่ที่ไหนบางบัวทองในกรุงเทพอบุษกาลข้าหลวงพ่อบุกาลหลวงพ่อหลวงพ่อหนูหนูก็ไม่ไม่มีคำถามเพียงแต่ว่าหนูรู้สึก แปลกใจแล้วก็เหมือนเหมือนตื่นเต้นกับที่บอกว่ามันหยุดความคิดได้แล้วแล้วใจเราหรือจิตเราเนี่ยพอพอมันไม่ไปยุ่งหมายถึงว่ามันผิดมันไม่ห่วงกายไม่ห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะแบบก็ดีเอง ม, มันดูเฉยๆไปไม่ไป <c oughs> ไม่ไปยุ่งกับร่างกายไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจะ เข้าไปไวัยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันก็อยู่กับพุโทโธเหมือนเราบังคับใจไม่เอดบังคับใจเราไม่ให้ไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออแล้วแล้วเสร็จแล้วทีนี้พอมันมันอยู่อยู่กับพุโทโธพอเราสงบไปนานนานๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันไอคําที่เราภาวนานเนี่ยมันก็เหมือนแบบ มันมันหยุดไปแต่ว่าเราก็จะมารู้รู้ว่าเราอ่ะหายใจเข้าหายใจออกอยู่เพียงเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ได้เราตอบได้เราไม่คิดก็ใช้ได้ให้รู้เฉยเค่ะหลวงพ่อแล้วพออยู่แบบเนี้ยจนนานจนเหมือนกําลังสติเราหมดเนี่ย<ม>เราก็ถอนออกมาค่ะห<ม>ลวงพ่อแล้วแล้วพอเสร็จหนูก็ออกจากสมาธิแต่ว่ามันก็เป็นชั่วโมงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ พอมาออกเสร็จแล้วหนูก็มาคิดถึงว่าไอ้สังขารไอ้ไอ้ขาที่เราปวดเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเหมือนเราบังคับมันไม่ได้อย่างเงี้ยถือว่าเดิร์ทถูกทำทางความคิดทำปัญญานี้ใช่ได้ไหมคะหลวงพ่อใช่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นนะมันเป็นแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นนะคะมันไม่ได้แล้วก็ดูว่ามันดูเสื่อมโทรมลงไปอะไรอย่างเงี้ยร่ะว่าเออเมื่อก่อนเราเคยอายุ อย่างน้อยตอนนี้เราอ า, ายุมากขึ้นค่ะแล้วก็อะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่หัวจดเท้าเราลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันเดีมันก็ต้องหยุดหายใจที่อย่างนี้ไปเรื่อยค่ะหลวงพ่อแล้วพอช่วงนี้หนูกลับไปทํางานพอช่วงเช้ามีเวลาหนูก็จะแอบขึ้นไปนั่งนั่งปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตอนเย็นกลับมาก็มาทําต่อแล้วพอวันวันหยุดอ่ะมันเหมือน เราทําธุระหน้าที่อะไร todos, เราเสร็จเนี่ยเรามันจะเหมือนมันจะปีกตัวออกจากคนอื่นไปอ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันก็จะขึ้นไปอยู่หาที่เงียบแล้วเราก็ไปนั่งปฏิบัติจนที่ที่บ้านเขาเหมือนแบบเขาชวนออกไปข้างนอกอะไรเนี้ยบอกเราไม่ไปเราเฝ้าบ้านแต่พอเสร็จเราก็ขึ้นทําของเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อถูกต้องถูกต้องทำางียบไปเรื่อยๆเราปิดวิเวกไว้ให้มันบ้างอยู่คนเดียวให้มันบ้างค่ะ แล้วก็หนูสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดตามที่หลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ทีเนี้ยการปฏิบัติเนี้ยหนูไม่รู้ว่ามันต้องทำมากขนาดไหนอะค่ะมันถึงจะได้ไปถึงตรงนั้นนะคะหลวงพ่อก็ต้องะละสังโยชน์สิทธิ์เนี่ยนะสักกายะทิฏฐิความเห็นว่ากันท่าเป็นเราเป็นตัวเราพนของเรานี่มันไม่ใช่มันเป็นของธรรมชาติค่ะ แล้วร <c oughs> ัาไปร <c oughs> ักการรับไปรักการมาลาค่ะไปดูว่าร่างกายของแฟนไม่สวยไม่งามสกปรปก <c oughs> มีของปฏิคูเต็มไปหมดค่ะ <c oughs> หนูไ อ, เอ้เรื่องเรื่องคู่ครองหนูตัดไปเลยอะคะ่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็อยู่กันด้วยหน้าที่ไปอย่างเงี้ยค่ะใช่มันตัดตัดมันตัดแบบนี้มันไม่ขาดต้องต้องดูว่ามันสกปรปกดูว่ามันไม่สวยงาม ดูคอนกระดูดูตับไตไส้พุมเราค่ะหลวงพ่ออย่าเี้เดี๋ยวมันหลังมัเผยยไปเจอเห็นคนหน้าตาเรอแล้วถูกใจเรามันก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาใหมได้ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วอย่างตัวเราคือเมื่อก่อนเป็นคนรักสวยรักงามแต่พอมาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ห่วงสวยงามอย่างเงี้ยมันถือว่าละละไหมคะหลวงพ่อละละแต่เราอย่าไปละจนกันทั่งไม่รักษาความสาดก็กัน ก็ต้ดูแลรักษาความสะอาดมีผ้าวิผมไม่เรียบร้อยได้อยู่แต่ไม่ต้องมาคอยเสริมความงามแต่งหน้าทาปากทาคิ้วใส่ขนตาปลอมอะไรต่างๆนี่เป็นแคการเรื่องการเสริมความงามให้มันอยู่ตามธรรมชาติทั้งหมดให้มันเกิดไปตามธรรมชาติแต่ก็ให้มันสะอาดเพราะเราต้องอยู่กับคนถ้าไม่อับน้ำถ้าเนื้อสกลิ่นเนี่ยมมีใครก็อยากจะเข้าใกล้ค่ะหลวงพ่อ ก็คือว่าต้องละสังโยสิบให้ได้ ใ, ไดใช่ไหมใช่ได้เนะี่ยเราไม่อ่านสังโยสิบดูเถอะแล้วละได้อันไหนบ้างไม่ยอันไหนละไม่ได้ก็ต้องไปพยายามได้ได้ศึกษาวิธีละมันต้องละด้วยอะไรถ้าการมมาละคก็ต้องละด้วยอัศสิปภะค่ะหพ่อเข <c oughs> ้าใจนะเข้าใจค่ะเนี่ย <c oughs> หนูไปดูเพิ่มเติมค่ะวันนี้ หนูก็มีประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติทุกวันค่ะแล้วมีเวลาว่างหนูก็จะไปปีกคนเดียวรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าเห็นอย่างอื่นแล้วมันมันไม่มีประโยชน์ะค่ะหลวงพ่อมันก็เลยใช้เวลาไปปฏิบัติแบบนี้เก็บเล็กเก็บน้อยเท่าที่เราจะได้อ่ะค่ะหลวงพ่อถูกต้องทําไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามปล่อยวางร่างกาให้ได้มอกให้ร่างกายเห็นว่าเป็ น, เ ป, นเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเลย รเราเป็นคนเราเป็นคนเล่นต้นไม้ดูแลต้นไม้ก็ดูแลไปแล้วเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวมันก็จะตายแล้วใช่<ะ>มันก็จะตายแล้วแล้วเราจะทุกข์กับมันหรือเปล่ามันจะตายถามตัวเองค่ะหลวงพ่อเราจะกลั ว, วมันตายหรือไม่อันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ให้ได้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้หนูก็จะไปอยูอ่อยูอ่อยูอ่วัดนะคะหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะไปเรยๆค่ะหลวงพ่อ <Okay. S 2> วันนี้หนูมีเท่านี้กลับเพราะว่าคุณหลวงพ่อมากเลยนะสาธุค่ะหลวงพ่อถ้าเคยทำบุญมาก็ขออน้มน้นาทุกคนบางทีไม่ได้จ้างคนหลาก็จ้างหลายชื่อมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้รับทราบนะใครทำบุญใครคนหลโน้มน้าวสาทุค่ะยินดีที่คุณบิวตี้ตอนะุบิวตี้จากกูเกิลนะเชน อ๋อไม่เป็นไรก็ได้งงวันมาค่ะมาขอพอรเจ้าข่าววันนี้เ<อ>พราะพรุ่งนี้มีดิวสำคัญอ่อขอพอรขอให้สำเร็จใช่ไหมค่ะเจ้ า, าค่ะอมันจะสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่พนค่ะเนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้ปัญญาใช้ความเมตตาใชุใช้ฝนอย่าใช้อารมณ์ใชนเย็น ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตอย่าหลอกรวมกันนะแล้วมันก็จะสาเร็จที่มันไมีสําเร็จเพราะบางทีมันหลอกรวงกันเขาถทันเขาก็เลยไม่เอาอช่ไหมเจ้าค่ะโอเคนะนี่แหละคือพอรที่แท้จริงคืออยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวมันก็นสําเร็จเอง อืมจริงเจ้าค่ะเราให้ไปจุดธูปเทียนขอจับท่ามาหาพมมันก็ไม่สําเร็จหรอกมันไม่ได้อยู่ที่ท่าม้าผมอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่าการกระทำของเราอืมืจริงเจ้าค่ะเห็นนะค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อตูดสามัญเกิด น, นะเจ้าค่ะอ่าสาธุจ้ะค่ะ ข, <laughs> <laughs> ขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณ เธยคนไกลรูปท่ายรูปหรือเปล่าถ่ารูปหน้าไปกอไปด้วยน้ำกิืสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอยู่นคนปรปฐมค่ ะ, ะมีคำถามไหมก็เของดูเนี่ยคือดูคือดูมีลูกเล็กอะค่ะแล้วก็เรียนออนไลน์เราก็พยายามปฏิบัติตัวเพราะว่าดู ดูจิตแต่มันจิตแตกตลอดแต่ไปดูมันดูมันดูมันไม่ทันตอนนี้เราต้องใช้พุทโธหยุดมันไปบ้างคือไม่แน่ใจว่าต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหยุดจิตก่อนอย่าเพิ่งไปดูมันอันนี้มันมันเร็วมันมันเร็วกับเรามากไปทําอะไรมันไม่ได้ดูแล้วก็ทําอะไรมันไม่ได้ใช่คือมันจะแบบเออคือ คือเด็กก็คือเด็กะนะคะก็ทราบแต่ว่าแบบเราก็แบบมีมีตั้งเป้าว่าเออเรียนจะให้เท่านี้เพราะช่วงอีกเวลาหนึ่งเราจะได้ทํางานอะไรเงี้ยเพราะเราก็มีงานต้องทํทาท่านี้คือเขาก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราเราก็แบบออมันก็<อ>มกัมกไปปั้นน้ำํำปั้นน้ําได้เป่าก็ไ ม, <c oughs> ไม่ได้แต่ <c oughs> ไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปตั้งเป้าให้กับเขา ตั้งแล้มันไม่ได้ก็อยตั้งมันเสียวเวลาเราตามความเป็นจริงเราจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้นเ<ร>าเราจะไม่เครียดเราจะได้ไม่เครียดถ้าเราไปตั้งเป้าแล้วไม่ได้ดังใจหมา ย, ม, ายมันก็จะเครียดมันจะเสียใจนะครับ อ, อีกอย่างหนึ่งค่ะหนูหนูสอบถามนิดนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญนะคะเห็นแบบ บางที่เขาก็บอกว่ า, าการทำบุญเราไม่จาเป็นต้องกวดน้ำแต่อีกที่นึงเนี่ยก็บอกว่ า, เ, าเราจาเป็นต้องกวดน้ำนะคนที่แบบที่เราทิปบุญให้จะได้แบบได้รับอะไรเงี้ยได้ทั้งสองอย่างใช้ใช้น้าก็ได้ไม่ใช้น้าก็ได้และ อ, อย่างในกรณีหนูอีกกันนึินค่ะสงสัยเยอะ อกระถินนะคะ่ะเราทํากรถินเนี่ย<ม>กรถินบางบางที่เนี่ยเราเ อ, เ, อเขาบอกว่าห น, นูไปอ่านมาแล้วเขามีในในในเฟซอะไรเงี้ยค่ะกระถินเป็นเรื่องของการถวายผ้าแต่เราอะ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาเราก็ไม่ได้มีไม่สามารถที่จะไปงานกรถินแบบไปถวายถวายผ้าไตาได้แล้วเราใช้วิธีแบบว่าอนตัง แบบนี้ก็พลบุญก็จะเหมือนกับถวายผ้าเหมือนกันนะถวายผ้างดีมากถ้าถวายผ้ามากไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคามทีผ้าไปจ่ายค่าน้าเข้าไฟไม่ได้เพราะงี้ทำว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายล้วก็เราก็โอนเงินไปเขาจะได้เอาเงินนี้ไปไปเปลี่ยนได้ถ้าผ้าไม่พอก็ไปซื้อผ้าได้ ก้าต้องมีค่าใช้จ่ายเขาจะได้ไปใช้จ่ายจ่ายหนี้ส่งก็เนี่ยกชำระหนี้ส่งได้นะมั้งส่งก็มีหนี้นะสมัยนี้ว่าแต่ละวันมีมีไฟฟ้ามีประนาประฟ้ามีอะไรต่างๆมีค่าใช้จ่ายเยอะก็ต้องอาศัยเงินทองของญาติโยมไปจากไปเนี่ยในจะต้องสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดียมรณะสร้างแซมอะไรต่างๆชาวพุทธเราเลยถืองานบรกระถินนี้นอกจากถวายพ้าแล้วก็ถวายปัใจจัยด้วย ก็จะได้ทำรูปบำรุงวัดวารามให้อยู่เป็นให้อยู่เรียบร้อยให้ให้อย vale> ู่ใช้งานใช้การได้งั้นทําทําเงินเน่ยดีที่สุดบริจาคเงินไปเน่ยดีที่สุดมต้องเหมือนกันบริจาคผ้าก็ต้องเอาเงินไปซื้อผ้าใช่ไหมมันก็เท่ากันสมมติเอาเงินน้อยบาทโอนให้วัดไปแล้วเอาเงินน้อยบาทไปซื้อผ้าเราถวายวัดมันก็มันก็ได้ผลเท่ากันแต่ประโยชน์มันต่างกัน าทีทุกคนมันเอาผ้าไปถวายแต่ไม่มีคนไปถวายเงินไม่มีเงินจ่ายค่าน้างก็ไฟก็ต้องถูกตัดน้ำตัดไฟไปค่ะแล้วเวลาทำบุญเราจำเป็นต้องอธิฐานไหมคะ อ, อ๋อถ้าอธิฐานขอไม่ต้องอธิฐานแลพราะทับพวกมันได้ปั๊บเลยก็สาธุจบอย่างนี้ใช่ไหมคะเอออ่ะทำบุญเพื่อความสุขใจอีกใจนะ ถ้าเราทำสุขใ จ, ขใจย่างใจก็คือได้ผลแล้วได้บุแล้วพอใจหมค่ะหนูก็หายสองชแล้วนะมีเยอะแต่วันนี้ทมีก่อนค่ะโอเคใค้คนอื่นบ้างนะค่ะลุงค่ ะ, ค, ะคุณรุงที่ว่าต่อคุณลุงที่ว่าเพิ่งเข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาเจ้าค่ะอาจารย์กรรมการเจ้าค่ะวันนี้รุงไม่มีคถามมันเดิน้าค่ะคุณประยู์จับคุณประยู์ เชิญอยู่ที่ไหนคุณพยโยนกรรมสกสารครับอาจารย์อยู่จังหวัดน่านครับพาจารย์ครับอมีอะไรไหมคำถามไม่มี<ห>ครับไม่มีมมคําถา ม, ม, มครับอี่างนี้เาขอไปเร็วหน่อยนะเพราะเกือบสองชั่วโมงขึ้นแล้วไหที่คนเมืองเพชรต่อนะอยู่ที่ไหนคนเมืองเพชรกับนรัตสการค่ะ อยู่ประเทศเยอรมนีค่ะเมืองไหนเมืองอะไรอยู่ทางใต้เมืองมิวนิกค่ะพระอาจารนนาย์อยู่กับท่าสวิตเซอร์แลนด์อ่ะอยูกับประเทศออสเตรียค่ะออสเตรียก็ได้ค่ะ <Austria. Okay. S 2> มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็ได้ไติดตามเพจพระอาจารย์ฟังธรรมะจากเพจมาตลอดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้นั่งสมาธิก่กอนนอนทุกวัน บ่อยครั้งแล้วก็พอมีพื้นฐานในการในการทําสมาธิสมถะบ้างแล้วอยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ในการขึ้นวิปัสสนานะคะ่ะพระอาจารย์เอขึ้นวิปัสสนานต้องรอเวลาออกจากสมาธิก่อนอย่าไปทําในขณะที่อยู่ในสมาธิทําไม่ได้นะเวลานั่งสมาธินี้ใจสงบนี้ทําทวิปัสสนาไม่ได้ ใช้สติประคับประเอาให้มันสงบนานๆเป็ น, านการทัพถอนจิตเป็นการเติมเติมพลังให้กับจิตพออยากสมาธิแล้วอันนี้มีพลังก็สั่งให้จิตไปคิดทางปัญญาทางวิปัสนาจนนตายตรักว่าทุองอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมมีอะไรเทีย่ยงไหมในโลกนี้ไม่เที่ยงค่ะออมีการไม่ดับมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ครัว่าอันนี้จำถ้าไปยึดไปติดก็จะจะทุกข์ ถ้าพยายามให้มันเที่ยงคอามไม่เที่ยงเราจะเสียใจจะทุกขใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดจับอะไรปล่อยมันไปมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันจะเ่อยก็เกิดมันจะดับก็ดับมันจะดีก็ดีมันจะชั่วก็ดีของมันเราปล่อยมันไปมันเป็นอนันตามันเป็นธรรมชาติเหมือนดินดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้นี่คือวิปัสสนา ต้องออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณมาน่คิามมานั่งคิดเห็นการเป็นการคิดใช่ไหมคะเป็นใจคิดสอนใจเพื่อจะได้ไม่หลงไปยึดไปถือว่าเป็นของเราไปยึดแลามันจะอยู่กับเราไปนานๆจะให้ความสุขกับเราไปตลอดค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์คิดจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะร่างกายของเราร่างกายของแฟนเรา ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองราบยศเสร็จเสรนจจบนี้มันก็ไม่ที่งเงอนนะ่ะมีได้มีเสียมีมามีไปมีเกิดมีดับเจ้าค่ะกลนะับนำัการค่ะหมดแล้วมัมสกุชนั ด, ดาเลยนกะุชนั ด, ดาต่ อ, อยูที่ไหนกุชนา ด, ดา อยู่สมุดปาการค่ะพระอาจารย์เที่ใส่บาตทุกวันใช่ค่ะพรุ่งนี้ฮะเมนูอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นเป็นยำไส้กอกค่ะพรอาจารย์ยำไส้กอกยำไส้กอกกับกล้วยหอมค่ะอน้ํำลายไหลแล้วเนี่ยก็ก็คงขอใส่บาตรถ้าอาจารย์ไปได้พอดีว่าก็เจอได้ให้คนอื่นเขาได้บุญด้วยค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะนี่เพราะว่ามีเพื่อนก็ ก็รุมรวมมาคนละเล็กละน้อยอะไรเงี้ยค่ะเพระอยากได้บริารชั่ย <c oughs> ค่ะแล้วก็พ อ, อดีครั้งที่แล้วที่เจอกันบ้านที่ว่าโดนโดนด่าค่ะพระอาจารย์แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะพระอาจารย์ก็เออเหมือนคนที่ด่าเขาก็ก็เขาก็กกงเงียบไปนะคะพระอาจารย์อ อ, อืก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านละค่ะ หนูก็ซื้อซื้อของกินอะไรมาให้เขาเป็นปกตินะค่ะพรอาจารย์ค่ะเขาก็ค่ะคือหนูไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วค่ะพระอาจารย์อาจจะอาจจะตกใจหรืออะไรตอนแรกๆอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่มีอะไรแต่แล้วเขาก็เขาก็เขาก็เขาก็เงียบไปเลยนะคะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรก็เลยรู้สึกว่าที่ท่านพรอาจารย์สอนว่ายอมหยุดเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคือแค่ทาแค่นี้เองค่ะพระอาจารย์ใช่นี่แหละเป็นการแผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตาค่ะนี่แหละเราโกรธเขาแล้วเราต้องให้อภัยเขาให้ได้ค่ะใ ห, ให้อภัยให้อภัยาได้แล้วใจเราก็จะเย็นจะสงบมีความสุบแล้วเ้าก็มีความสงบว่าเราไม่ไปยุ่งเขาไม่ไปทําร้ายเขาเพราะว่าค่ะค่ะแล้วเอ่อพระอาจารย์คะแล้วถ้าเราเป็นคนที่ ไม่ค่อยจําอะไรเท่าไหร่แล้วเวลาใครมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยจําคือจะไม่ค่อยจํารายละเอียดอะไรแล้วะค่ะพระอาจารย์ก็เด็กๆ<ะ>ปล่อยมันไปแล้วมันเป็นประวัตผ่านไปจําในสิ่งที่จำเป็นจะต้องจําอันนั้นไม่ต้องจําว่าเนิ่มมันไป่เสียที่ป่าค่ะอย่าไปแบกมันเพราไรเราไปแบกเวลาจํานี่เหมือนเหมือนไปแบกมันใครก็ด่าเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้านี่ยังจามันถึงตอนเย็นอันนี้ไปแบก ค่ะก็ไม่ไม่ได้แปลว่าส ม, สมองไม่ไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไห ม, ไมคะอาจารย์ไม่ไม่หรอกมันก็เป็นธรรมดาทุกอย่างมันไม่เที่ยงเลยเกิดเม่ดัสัญญาอนิจจาสัญญาความจำก็อนิจจาค่ะพระอาจารย์ อ, อหนูสงสัยอีกเรื่องนึงคือว่าถ้าอย่างเป็นเ อ, อบวชเป็นพระใช่ไหมคะก็จะออ่อ มีวิธีมีวิถีชีวิตที่ต่างจากคาราวาคลราวาที่ต้องอยู่อยู่ในเอ่ออยู่อยู่แล้วก็เจอผู้คนทั่วไปมากมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเจอข้อสอบมันจะเหมือนเราคือจะจะจะถามว่ายังไงดีถ้าถ้าเป็นพระที่ไม่ค่อยเจอคนมากมายไม่ไม่ค่อยไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ทําอะไรทางโลกมากก็จะเจอข้อสอบเป็นคนละอย่าง ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือที่านไม่ไมามายุ่งเกี่ยวทางโลกท่านต้องการไปสร้างพลังจิตค่ะตานมีพลังจิตแล้วท่านก็มาเกี่ยวข้อมาทําโลกได้อืมก็คือพอพอได้ตรงนั้นแล้วแม้ ว, ว่าจะเจอมาเจออะไรในทางโลก <ง S 1> นก็ไม่ไม่หวัน่นไหวจิตไม่หวัน<อ>่นไหวแต่ถ้ายังหวั่นไหวก็ต้องไปปิดไม่ไม่ไปสร้างพลังจิตขึ้นมาก่อน ค่ะแล้วในในฐาที่เราเป็นคารว่าหรือปูตุชนเราก็เราเราจริงๆเราก็ต้องมีเวลาไปปีกวิเวกเพื่อสร้างพลังจิตตรงนั้นเหมือนกันใช่เพราะ เ, เพราะว่าค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ถึงแม้อยู่ในถ้มกลางอะไรอย่างเงี้ยมาทดสอบอยู่เรื่อยเื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยอยางเงี้ยคือเยอะเชื่อไม่ไหวค่ะเข้าใจค่ะภาจารย์หนูหนูหนไม่มีไม่พอกำลังไม่พอ ต้องไปเพิ่มกําลังในการไปปิดวิเวกนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งนานๆสอนใจให้ปล่อยวางวัตทุกอย่างไม่เที่ยงควบคุมบังคับเ ข, เขาไม่ได้สั่เขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรก็ต้องปล่อยเขาทาไปเราไม่ต้องไปรุ่นแรงกับเขาเรารู้เฉยๆก็พอเนียต้องทําอย่างนี้ให้ได้เข้าใจนะเข้าใจค่ะโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลอเมนูกาขอบพระคุณครับพอาจารย์ขอใหน้โมโหตนานะกับทุกท่านที่ร่วมบุญ น, นะสาธุค่ะพอาจารย์ขายต่อคุณจอยไหมคุณจอยขายเปไงทำใจได้ยังไหวหวัวงได้ยังเริ่มดีขึ้นเหรอหวเขาไปเถิดพระอาจารย์ดีช่วยไว้อของเขา เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มทำใจได้เริ่ ม, มเริ่มเฉยเฉยได้อย่าไปวังอะไรจากเขาค่ะทำตามที่อาจารย์สอนค่ะค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรก็ขอไปที่ท่านตอไปเลยนะจะได้วันเดียวมันใกลจะหมดเวล า, นะาแล้วคุณก็ตายแล้วคุณก็ตายเช่นกัน ขอไปนะต้องไปไปตามรูปภาพนบางคนมันอาจจะเข้ามาขัดข้ามไปก ไ, ได้แต่โทษเจ้าค่ะหนูมาครั้งแรกเลยนะคะทพงทาวมาสักครู่ก็มีคําถามค่ะพอดีตัวเองใกล้จะผ่าตัดมีความกังวล น, นะคะพระอาจารย์แต่หนูหนูจะวางใจยังไงดีคะก็วางที่ความสงบนะพูดโธพูดโทพูดโทนไปนั่นใครจะเป็นอะไรก็มันเราทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของหมอแล้วเราปล่อยให้หมอว่าทํ า, าทไปค่ะแล้วก็ อีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราเรายังไม่เคยปฏิบัติแบบเคยเคยแต่ว่าอยังไม่เคยปฏิบัติแบบเลยอแจะเริ่มเลยอย่างเงี้ยต้องอต้องเริ่มก<ต>ันเลยค่ะคเพิ่มที่เริ่มที่พุทโธพุทโธเนี่ยเดินตายขึ้นมาก็้พยายามต้องพุทโธพุทโธคอยหยุดความคิดอย่าให้คิดก็จะคิดเพ้อฝันคิดเรื่องที่ไม่จะเป็นจะต้องคิดอะไร แล้วแล้วแล้วถ้าหากว่าเป็นถ้าลักษณะการเดินจงกรมแล้วเจ้าค่ะก็เหมือนกันเดินจงกรมพุทโธพุทโธอ๋อพุทโธไว้ที่เท้าได้ด้วยคือดูตอนก้าวเท้าเคลื่อนออไปอย่างนี้หรือเปล่าคะได้ดูเท้าด้วยแล้วถ้าดูเท้าไม่ต้องพุทโธก็ได้จะพุทโธแต่ที่ไม่ต้องดูเท้าก็ได้อืโอเคนะเพราะว่าเคยเคยแบบเออเรียกว่าไงเรียนรู้พองยุคมาฝึกเองนิดนหน่อยหน่อยแล้วก็หลายๆแนวพอจะมาเริ่มต้นมันกลับตีกันไปหมดหรือว่าอเริ่มต้นไม่ถูก อาจารย์เริ่มที่พุทโธนะจ๊ะพุทธโธนะคะหรือลอดูร่างกายกำลังทาอะไรก็ค่ว่าคอยดูบนไปอยากไปอยากไปที่อื่นคอยดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่โอเคสาธุค่ะใหปพีเบิร์ดเดย์พระอาจารย์ครับขบขอบขคุณค่ะอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ไหนอูบางปะทองนนทบุรีค่ะสาธุค่ะเบียบหมดแล้วค่ะคนเอมจต่อคุณยัสสิตรนี่ค่คุณพัทละพอนก่อนครพัทละพ รู้สึกได้รับปัจจัยแล้วน่ากลัวประดลาปอนสวัสดีครับดับนมัสการครับนิวดับหลวมัศการเจ้าค่ะหลวงพ่อได้รับความคันแล้วไม่ได้ฝากฝากของเจ้าพูดมาฝากทูส่าทูส่าเจ้าค่ะหลวงพ่อลหลวงพ่อเมื่อกี้ไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วอีกแล้วค่ะสดสดร้อนร้อนเลยขับรถครับกลัก ว, วจะไม่ทานแต่ว่าสามีเขาขับแล้วลูกอยู่ในรถแล้วก็ ไปนู่นไปนี่แล้วก็มารับลูกที่โรงเรียนแล้วใจเราก็แบบไม่อยู่กับปัจจุบันนะคะ้ค่ะนูกหลวงพ่อเทศลูกหน่อยเจ้าค่ะพุทโธพุทโธให้หลวงพ่อรูว่าไม่อยู่กับปัจจุบันก็รีบหนึ่งกลับมาพุทโธพุทโธนั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นนะค่ะเจ้าค่ะพุทโธพุทโธเั้ค่ะหลวงพ่อ เจ้าค่ะหลวงพ่อเราสติกลับมาว่าสติกลับมาแล้วมันใจก็เย็นสบายมันก็ปลงได้วางได้นะเจ้าค่ะจะถึงมาถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงจะทัดก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันก็แค่นั่เงเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบสาธุสาธุเจ้าค่ะคอยหลวงพ่อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะครับเชื่อจะ นิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่อยู่เกินร้อยี่สิบปีนัเจ้าค้าหลวงตาจะได้รับใช้พวกเราไหมอยากอยู่รับใช้ไม่ได้เลียวยังเด็กอยู่เจ้าค่ะถ้าถ้าเราไม่รับใช้เอาไม่อยากจะ้เราอยู่อยู่อยู่นี่เพื่อให้รับใช้พวกเราใช่ไหมไม่ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ใช่นะอยู่ทาไม ต้องอยู่เป็นล้มโผลส่ล้มใส่ให้ขลานแบบได้บรรลุตามหลวงพ่อไปด้วยเจ้าค่ะไม่อยากเกิดอีกแล้วเจ้าค่ะมันทุกข์จริงๆไเห็นทุกข์ไปหมดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาลราพยายามปฏิบัติต้องบ้างนะจะได้ไม่ไม่เหนื่อยแรงเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาแล้วมีของดีๆมาล่อยผังมาว่าวันนี้จิตสงบจิตไม่วุ่นวาย ใครดาใครยังไงก็เฉยได้อันนี้เฉยเจ้า่ะหลวงพ่อมีมีอาจารย์ใหญ่คนเดียวกลางๆที่แจ้งที่ที่ยังจะรู้สึกแบบยังยังมีคอนเขาอะไรอย่างเงี้ยจัค่ะยังมียังมีคอนในปากไม่พูดแต่ในใจมันยังมีรู้สึกอยู่ังค่ะหลวงพ่อจังค่ะอยาไปหวังเลอยากเข้าสิทอไป จะได้ไม่คอนก็จบโจ้กคาของพ่อเจ้าค่ะจบคาการโพสตคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะไปที่คุณเอ็มจีโปรดรับตรงตาไม่ได้เบามากเดี๋ยวมีคําถามว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีครับหลานชายด้วยหลานชายก็มาฐานน้อยตอนนี้เนี่ยไปที่ท่านต่อไปคุณเอ็มจีหนึ่งศูนสอง อะไรนุ้นะกีรนูนะมุเจนอัานนิ้วไมค์ก่อนกันมุเจนูนคนชื่อวันนู้นอ่านนิวโอเคนะอยู่ที่ไหนพูดได้อ่ะเป็นไม้แล้วปลี่ยนไมใหม่ กดใหม่กดที่ตัวใม่กับโพลใหม่ค่ะอยู่สักแก้วเจ้าค่ะสักแก้วเจ้าค่ะเคยไปหาพระอาจารย์แล้วเจ้าค่ะอลูกเพิ่งจะเข้าเป็นเจ้าค่ะพุทธีได้แต่ฟังจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะที่มากับพี่เพที่วัดนาบัตูมาเจ้าค่ะอ๋อที่นาบัตูเจ้าค่ะหลายปีแล้วเจ้าค่ะแต่โยมย้ายมาแม่โยมเสียไปแล้วเจ้าค่ะแล้วโยมก็ค่อยทําทุกวันเจ้าค่ะอืม โยมถวายคินิกให้พู้พุทธเจ้าเจ้าค่ะถวายสามาอาชีพให้พู้พุทธเจ้าเจ้าค่ะโยมก็แบบว่าย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยก็ทําทุกวันนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันมันได้ฟังไม่ได้บ้างนะเจ้าค่ะบางทีเราก็รู้กว่าเราหยาบขึ้นนะคะเจ้าค่ะใหม่ๆก็อย่างเนี้ยเหมือนเด็กอ่ะร้องนุ่คลุกขานไปก่นไม่ต้องทอ้อไม่ต้องยอ่ทอยท้อพยายามทําไปเรื่อยๆ น, น, นะเจ้าค่ะมันก็ดีขึ้นไปยังก็ได้มันขอบเป็นกำไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไม่มีอะไรถามเจ้าค่ะโอเครู้สึกว่าบุตที่เข้ามาในอ้อนนี้ได้ถามมาแล้วคุณญาสิอีกคน่ะคุณญาสิว่ามามันต้องทําเจ้าค่ะถึงจะรู้ได้นไปที่คุณญาติต่อนะว่ามาคุณญาติหรือบางแสนนะอ่าพิ่งมาถึงบางแสนวันนี้ครับอาจารย์ผมขอผมมีปัญหาเดียว เกี่ยวกับเรื่องเรื่องร่างกายครับอาจารย์มันมันตัดไม่ได้สักทีแต่พยายามคิดที่พระอาจารย์บอกอยู่ตลอดแต่มันมันมันยังยังรู้สึกว่าแค่เป็นอันนั้นนิดอันนี้หน่อยก็ก็จะเป็นกังวลจะเป็นห่วงกับร่างกายนะครับอาจารย์อคิดว่าเราไปทํำอะไรไม่ได้มันจะเป็นก็เป็นเราไปห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมมันจะเป็นแล้วเราจะไปห้ามมันได้ไมันเป็นแค่มันก็เป็นน่แล้วก็อยู่กับมันไปได้ ไม่มีมันเราก็อยู่ได้คิดอย่างนี้เชื่อไหมว่าเราไม่มีร่างกายเราก็ยังอยู่ต่อได้ไม่ทมําไปกลัว เ, ร, เรากเรามีร่างกายอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านล้านได้มาแล้วแต่ว่าต้องทิ้งมันไปเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็ตายไปก็ก็คือถ้าเราจะตัดตรงนี้ได้ก็คือเหมือนถึงว่าเรานั่งสมาธิแล้ ว, แ ล, วแล้วพอออกจากสมาธิเราพยายามสอนสอนตัวเอ ง, ง<ป>อย่างนี้บ่อยๆใช่บ่อยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ มเมในงานลินใ น, นงานฝนตกแดดออกเนี่เราไปห้ามมันได้ปะก็คือเราเราสอนเรื่องเดิมอยู่บ่อยๆบ่อยๆ ใ, <c oughs> ใช่บ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจําได้มันก็จะปล่อยมันก็จะเฉยมันมันรู้สึกว่าที่เป็นปัญหาหนักก็คือเรื่องนี้นะครับพี่อาจารย์เรื่องอื่นแบบบางทีมันมันมันยังรู้สึกว่าเออมันเข้าใจได้มันยังปล่อยได้แต่พอเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นมานิดขึ้นมาหน่อยปวดตรงนั้นตรงนี้มัน <c oughs> แล้วก็ถามมันเสวัชเราไปห้ามมันแม่ปวดขึ้นมาได้ป่ะใช่ไหมห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมเวลามันปวดแล้วทําไงก็ต้องยืนอยู่กับมันไปนั่นเองก็ปล่อยมันปวดไปแล้วก็ผ่านมาได้เลยครับเวลามันมันมันมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ผมจะพยายามพยายามบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ตายทุกคนก็ต้องตายกันหมดไม่มีใครอยู่หรอก พยายามทำของเราให้ดีที่สุดพยายามทํามันทําทําของเราเก็บไปเรื่อยๆมันตายตอนไหนมันก็ต้องตายอะไรประมาณเนี้ยมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บห้ามมันไม่ได้อนัตตาเพราะว่าอนัตตาต้องยอมนับกับความเป็นจริงถ้ารับได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่เครียดกับมันถ้าไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมให้มันตายมันจะทุกข์มากได้ยินไหม ได้ยินครับโอเคนะเขาผมขอขอบคุณเขาอาจารย์สอนดวงเข้ามาสอนดวงเลขาธิการอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะโอเคแฮปปี้เบิร์ตเดค่ะพระอาจารย์อสขอให้พระอาจารย์อายุยืนยาวนะครับพระอาจารย์อยู่ไปนานจะได้รับใช้พวกเราไปนานนะ า <Okay. S 2> มีโอกาสจะได้ไปกามรพระอาจารย์ค่ะนี่มีใครอยากได้อว่วันนั้นนั้นนั้นไปที่เฟซบุ๊กรแ่งอ่ันคุณทุณลาแนมี ค, คำถามทั้งหมดเก้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ ะ, ะ ม, ามาเลยคำถามแรกจากคุณทาทากราบถามพระอาจารย์โยมได้เคยช่วยเหลือคนที่ไม่สมประดีคนหนึ่งเรื่องเงินทองให้เขาคังลำไม่มากมาย แต่เขาเริ่มมาขอถี่มากทุกๆสามวันก็จะมาขออีกคิดว่าทำบุญเลยให้ไปบางวันโยมไม่ว่างเขาก็ส่งข้อความมาขอทุกชั่วโมงวันนี้โยมเกิดความโมโหแต่ก็โอนให้ไปแต่ว่าก็ต่อว่าไปอย่างรุนแรงแล้วก็บล็อกช่องทางการติดต่อใจโยมก็ไม่มีความสุขเลยในการให้ครั้งนี้และคิดว่าจะเลิกช่วยเหลือเขา การที่โยมคิดแบบนี้ทําแบบนี้จะบาปหรือไม่คะขอความเมตตาเจ้าค่ะ๋ไม่บาปหรอกเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาเราก็เพ่งแต่ไม่ได้ดูนั้นเองแต่เราก็ต้องดูว่าการช่วยเหลือเขานี่มันทําให้เขาดีขึ้นเรื่องๆหรือถ้าช่วยเหลือแล้วทําให้เขาเร็วลงไม่อยากไปช่วยเออแทนความจริง้าหมายของการช่วยเหลือเขาไม่ให้เขายืนได้ไม่ให้เขาขึ้นตัวเขาเองได้ แต่แล้วก็ไม่ยอมเพิ่งตัวเองก็จะมาพิ่งเราไปตลอดแล้วก็ต้องหยุดเพราะจะกลายเป็นเหมือนเขาจะทําให้เข้าเป็นเหมือนคนพิการไปไม่ไม่เพิ่มตัวเองมามาคอยเพึ่งแต่เราเพียงอย่างเดียวงี่ยเราก็ต้องตัดบ้างต้องทําใจเข้มแข็งไหวหวางพอพอแล้วแค่นี้ถ้าถ้าช่วยอย่างนี้ไปก็ต้องช่วยไปดจนวันตายคำถามต่อไปจากคุณนงนุช ศาสร์นรมาสการพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องศีลกับศิกขาบทด้วยค่ะศีลก็คือสิกขาบทไงสิขาบทก็คือคําว่าสิกขานี่แปลเป็นคําว่าศึกษาบทที่เราจะต้องศึกษาถ้าเป็นศีลก็คือข้อห้ามต่างๆเรื่องต่างศีลห้าก็มีข้อห้ามห้าข้อศีลแปดก็มีข้อห้ามแปดข้อ แล่ละข้อก็เรียกก็เป็นสิขาบทเป็นฆ่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ก็เป็นหนึ่งสิขาบทห้ามรักทรัพย์ก็เป็นหนึ่งสิขาบทเนี่ยก็เป็นเป็นข้อๆไปสิขาบทก็เป็นข้อข้อศึกษาเนี่ยเราต้องศึกษาให้เรียนรู้ถ้าเราอยากจะมีศีลเราก็ต้องรู้ว่าศีลมีอะไรบ้างมีหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเวณี สี่ไม่พูดป่นห้าไม่เดือดราอายามเม่อันนี้เกิดสีและสิกขาบทฏคำถามต่อไปจากคุณขวัญหรือไทยการจุดธูปเก้าดอกแต่ละดอกหมายความว่ายอย่างไรเจ้าคะไม่มีความหมายแล้วเป็นคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ <c oughs> ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรล็วลงจากการจุดธูป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณสอนนาไลากลับนมัสการครับพระอาจารย์ผมขอเรียนถามว่าพอสงบแล้วเข้าสู่ความว่างจิตก็ยังภาวนาพุโทโธอยู่ไม่รู้สึกว่ามีร่างกายแต่มันเป็นแสงสว่างอยู่ตรงหน้าจะไปต่ออย่างไรครับเพราะพ อ, พอผมเห็นแสงสว่างนั้นผมจะเพ่งแสงอย่างเดียวครับอย่าไปสนใจกับแสงให้ยุสนใจกับพุโทโธต่อไปอยู่กับพุโทโธไปเรื่อย ถามต่อไปจากคุณพิชัยกาเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้จะนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงฌานได้ไหมครับถ้าได้ถ้าได้ทำไมถ้าได้เมื่อตายในฌานจะไปเป็นพรหมแล้วเมื่อหมดจากพรหมจะมีโอกาสลงสู่อบายภูมิได้ไหมครับหรือกลับมาเป็นมนุษย์ครับก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถ้ามาทําบา ก็จะไปลงใบอวาาัยวะภูมิต่อไปได้เราไปรักษาสี่ห้าเป็นไปฆ่าสัตว์ไปรักษนเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอวัยต่อไปคําถามต่อไปจากคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจมีทั้งหมดสองคำถามคะ่ะคําถามแรกหายใจเข้าพร้อมคําว่าคําบริกรรมพุทธหายใจออกพร้อมคําว่าโท แบบนี้จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งซช่มมีอีกสองวิธีพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมเข้าลมออกก็ได้ทำพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธดูลมเข้าที่ปลายจมูกออกที่ปลายจมูกจดจ่อเฝ้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทเข้าโธออกก็ได้ มิสามมิธีได้ค่ะคำถามที่สองบางครั้งนั่งภาวนาแต่ใจไม่ยอมหยุดคิดไม่สงบเราก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆแม้จะไม่สงบไม่สามารถหยุดความคิดได้แบบนี้ถูกต้องไหมครับต้องให้อยู่กับพุโทโธให้ได้มันจะหยุดความคิดได้ไม่ต้องไปสนใจความคิดให้สนใจว่าเรากำลังอยู่กับพุโทโธอยู่หรือเปล่าให้ท่าพุโทโธพุโทโธไป ก็ติดไปกับพุทโธอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวขั้นที่ต่างๆมันก็จะสงบตัวลงคำถามต่อไปจากคุณศรีวิไลกลับสอบถามเจ้าคะ่ะการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรนายเวรจากภพชาติที่แล้วจะเกิดผลไหมคะคือการอุทิศบุญนี่เราอุทิศให้กับผู้ที่เขามาขอบุญกับเราถ้าเจ้าการรมนายเวรก็ไม่ขอบุญกับเราเราก็อุทิศให้เขาไม่ได้ แต่พระ ย, ยามยาค่านพยาบาลอยู่เราก็ไม่ไม่รับบุญของเราบอกบุญไม่รับเลยพวกบอกบุญไม่รับบอกบุญไม่รับก็ถือให้กับเขาไม่ได้คนถามสุดท้ายจากคุณมาพระอาจารย์คะเราต้องฟังธรรมเพื่อให้เราได้รับความปิติสุขดีใช่ไหมคะไม่ใช่รความจริงฟังธรรมเพื่อให้ได้รับความรู้มากกว่าให้เรารู้ว่าพระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติตอะไรกัน ฉะนั้นเรามีมีทานทำทำทานกันให้เรารักษาสี่กันให้เราภาวนากันนี่คือเป้าหมายของการฟังธรรมการฟังธรรมก็คือการศึกษาธรรมนี่เรียนรู้ธรรมแล้วมันก็มีผลตามมาด้วยเวลาฟังธรรมแล้วจิตก็สงบได้มีปิติมีสุขเกขึ้นมาตามมาได้ด้วยได้ทั้งได้หลายอย่างอันนี้สองของการฟังธรรมนี่มีอ้านประการ ตัวจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้าไม่อยู่อีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นสามจะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องห้าทำให้จิตใจสงบผ่องใสปิติมีความสุขนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมห้าประการด้วยกัน อพระอาจารย์ครับเพิ่งมีเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเจากคุณขวัญเลือนกราบนมรสการพระอาจารย์ค่ะถ้าต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบกันควรอยู่อย่างไรเจ้าค่ะก็อยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความเบกขาอยู่ด้วพรหมไม่หารศีล <c oughs> ให้อาภัยเขาอย่าไปก่อไปเกลียดเขาถึงแม้เขาไม่ชอบเราก็ไม่ทำเขา <c oughs> ถ้าต้อง เ <c oughs> ขาไปถ้าเขามีความสุขได้รับตําแหน่งได้รับเงินถูกตองตรงนี้เราก็แสดงความดีดีกับเข้าไปถ้ากขาเดือดรอนต้อการความช่วยเหีืยก็ช่วยเหลือเข้าไปถ้าเขาไม่ต้องการอะไรจากเราแล้วก็ทําใจเฉยๆไปเหมือนกันแล้วใช่ไหมคุณลาคำถามคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะต้าไป มีคุณนันทาใช่ไหมเพิ่งเข้ามาคุณนันทาเลยจ้าครับนมัสการพรจารค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ลำลูกกาค่ะปฐุมธานีค่ะเคยไปเคยเคยไม่เคยเข้ามาเลยค่ะเข้ามาครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่มีค่ะจะมาจะมาสศึกษาบันเกิดพระอาจารย์แล้วก็เอ่อ คือหนูหนูอยากหนูอยากจะพอดีพอดีว่าหนูทํารัวซองขายค่ะแล้วหนูอยากทําไปให้พระจารย์ฉันแต่หนูก็คิดว่าแบบจะเป็นโทษกับพระอาจารย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะกับพระลูกอื่นๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูอะ่ะทำไปเพราะว่าเหมือนแบบมันมีไขมันมันไม่ใช่แบบผักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือคิดมากไปใช่ไหมคะอะมากไปอาหารก็ <c oughs> ต้องมีทั้งสีกลุ่มห้ากลุ่มค่ะ หลับก็ต้องมีเอแป้งก็ต้องมีอยู่ที่คนกินนะต้องฉลาดไม่ได้อยู่ที่คนให้หรอกแต่คนกินไม่ฉลาดก็กินแต่ของมันๆที่แป้งเยอะๆมันก็ขายมันขึ้นอะไรได้ยงั้นมันไม่อยู่ความผิดไม่ได้อยู่ที่คนให้หรอกนะครัพระพุทธเจ้าไม่ห้ามมว่าจะฆตาวัยอาหารชิ้นไหนท่านไม่ห้ามท่านห้ามเพียงแต่ไม่ให้ถวายเครืสุรายามาอะไรต่างๆนี่เท่นั แต่อาหารนี่สามารถถวายได้ทุกชนิดอันไหนที่เราสะดวกก็ถวายที่เราสะดวกไปทาพุทธเจ้าไม่ต้องการจะกำหนดเงื่อนไขให้มากเกินไปนะคนให้ก็จะรำคาญแล้วมันจะไม่อยากให้ค่ะได้ค่ะก็สุดท้ายก็คงออขอให้บุญบา ร, รมีของพระอาจารย์ที่ช่วยเหลื อ, อ, อคนมากมายนะค่ะให้ให้ให ให้คนเหล่านั้นร่วมถึงดูด้วยได้ได้มีดวงตาทาให้มีดวงตาค่ะให้ให้พระอาจารยทุกแห่งกันเป็นว่าสารเกิดค่ะให้พระอาจารย์อได้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วก็เรียกว่าอะไรให้พระอาจารย์ได้ได้ในสิ่งที่พระอาจารย์ต้องการนะคะไม่ว่าจะโดยทางโลกหรือทางธรรมค่ะให้สารถธงค่ะ หมดแล้วใช่ไหมค่ะจะส่งมาก็ได้นะยินดีรับนะเดี๋ยวไปเองเลยค่ะเคยไปบาดหนึ่งครั้งค่ะมาได้ก็มาขอให้ได้ทุกอย่างอาหารอาหารทุกอย่างจะเป็นผักก็ได้เป็นแป้งก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไม่มีข้อห้ามได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคดูสิว่าเวลาใกล้จะหมดพอดีนะก็สามชั่วโมง เหลืออีกสนาทีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาหน้าญาติอยู่ดึกแล้วเหลือจะต้องไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตีสี่ก็ต้องตื่นเตรียตัวไปบินตะบา ท, ท์นะีเลยก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ